ก็การท่านอาจารย์การแสดงครับพวกเราเวลาฟังหลวงพ่อเทศนะไม่ต้องกะหน่เลยทำตัวสบายผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายธรรมะมันเป็นของประณีตของสูงเราฟังด้วยใจที่เคารพอ่อนน้อมต่อธรรมะ พวกเราชาวพุทธพระพุทธเจ้าท่านป ร, รินิพานแล้วแต่ท่านได้มอบไว้่าให้ทํามอวินัยเป็นาศาสดาแทนท่านแัะนเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องสำรวจกายวาจาใจให้ดีที่สุดระหว่างที่หลวงพ่อเทศนะ์ทุกคนทำใจสบายดูเนื้อนะรูตัวไป อะไรที่จะรบกวนสมาธิของคนงข้างๆเรา เ, เราต้องไม่ทำเริ่มถ่ายรูปอนะไรเริ่องใดนะตกลงกัก่อนแต่เป็นีไม่ใช่เวลาถ่ายรูปล้เวลานี้เป็นเวลาถ่ายทอดธรรมะแล้วหลวพ่อดูพวกเราถึงถามพวกเราเจิตใจสว่างสวยเป็นคนดี ไปฝึกสมาธิฝึกอะไรกันมาในข่าววัาที่นี่เรียนหลายรูปแบบฝึกกันนานาชนิดนะมีแบบโกหกก้ามีนะองยุคแบบอะไรตอนห้มีทุกรูปแบบเลยในไทยเป็นภาพจำลองการปฏิบัติในเมืองไทยก็เป็นแบบนะั้นหลากหลายมากเลยจนกรท่านคนที่จะมาฝึกใหม่เนะี่ยงง ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยพ่อจะไม่ได้สอนให้ทำาย่างนี้ซื้อให้นั่งอย่างนี้ให้เดินอย่างนี้ให้กําหนดจิตอย่างนีนะ้ให้ทําแต่โน้นอย่างนี้ไม่ได้สอนเลยนะั้นสิ่งที่สอนให้เป็นหลักของการปฏิบัติไม่ว่าเราจะใช้รูปแบบการปฏิบัติแบบใดหลักการปฏิบัติเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลย ถ้าปฏิบัติผิดนะจะพูดโทก็ผิดจะหายใจอนาปานสติก็ผิดจะทำของยุบก็ผิดจะทำเนื้อโคเวณก้าก็ผิดผิดไปหมดนะั้นถ้ามันผิดหลักแต่ถ้าถูกหลักนะก็ถูกกันด้วยกันทะนะ่านั้นบางส่วนก็ไปสู่ในระดับทางความสงบจิตได้สมถะธัรมานบางส่วนวิธีการบางอย่างคือจะถึงมิปัสสนาได้ ถ้าเราขึ้นยอดเขาได้เราจะรู้ว่าวิธีเส้นทางที่จะขึ้นภูเขานะรอบจิตทางไม่ใช่มีทางเดียวที่เราทำอยู่ตรงนี้เป็นผมด้เยขานักปฏิบัติมากเลยที่คิดว่าการปฏิบัติที่ถูกนะมีทางเดียวคือทางที่เราเลือกแท้จริงแล้วการปฏิบัติมันรอบทิตธรร แต่ถ้าเรายังขึ้นภูเขาไม่ถึงยอดนะเราก็เห็นว่าทางที่เราจะเดินเนี่ยดีที่สุดเป็นความเชื่อของเราแต่ถ้าเราขึ้นบนยอดเขาได้อหานไปรอบทิศทางมีทางขึ้นดังนั้นบางทิศทางขึ้นง่ายมีทางริ่นวิ่งขึ้นมาแทบเกรงกลัวตัวเองเลยนะทำไมทางง่ายๆก็มนะีเป็นทางขึ้นทางยากบาที่ปีนหน้าผาขึ้นมากยาก แท้จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีการน่หลากหลายที่ทะลาะกั น, นทะลอะกันด้วยเรื่องว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนชอบเตียงหนึ่งของยกดีหรืออาณาปณะสติดีหรืออย่างโลวพ่เทียนดีหรือกำหนดรูปนามแบบนักอภิธรรมตอนที่หลวงพ่อภาวนาตนะั้งแต่เด็กๆ เ, เ, เ, เจอครูบาอาจารย์สอนอาณาปณสติ ท่านพอหลีวัดระโศตารมามเมื่อปี2502พวกเราหลายคนยังไม่เกิดทีนี้หลวงพ่าพอนามา50กว่าปีแล้ว50กว่าปีไต่เริ่มตน้นทำอนาประสตินิจริตนี่ใส่เนะี่ยมันพอดีนะหมอะกับอนาประสติทำว่าจิตสงบแต่ว่าขึ้นมีปัสสนาไม่เป็นครูบาอาจารย์ที่สอน ท่านสิ้นไปหมดไม่มีครูสมัยก่อนคนทรุงเทพไม่มีอาจารย์สอนธรรมจริงๆหรอกครูบาอาจารย์อยู่ภาคอีส า, า, ส า, านภาคเหนือเราเด็กนั้นไปไม่ได้เราพอทําแต่สมาธินะสงบ อ, อยู่ย่างนั้นยี่สิบองปีงั้เราสมาธิก็ชํานาญอยู่ได้แต่ของเล่นของจริงไม่ได้เลยอะไรเทีย่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒ น, นาจิตใจไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้ได้แต่ของเล่นออกเที่ยวเล่นข้างนอกเที่ยวอะไรไปรู้เห็นอะไรข้างนอกไม่รู้เห็นกิเลสตัวเองเท่านั้นแต่ว่าไม่รู้ทางที่จะเดินต่อจนอายยี่สนอายุยี่สิบเท่ากับที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านออกวนอายุยี่สิจึงยังไม่เจอหลวงปู่ดูลย์อตลโลหลวงปุ่ดูลย์ไเป็นลูกศิษยรุ่นแรกนะ ของหลกมันเรื่อตามหาบัวเนี่รุ่นเล็กรุ่นเล็กเลยที่เจอหลวุปุ่ดูลนะท่านสอนกรรมฐานหลวปูดูลเป็นครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐที่สุดที่เคยพบเคยเห็นหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะประมาณสี่สิบองค์นะเรียนแต่ว่าเริ่ตนนมต้นเลยมาเรียนจากหลวงปูดูลเรียนอยู่ไม่นานนะประมาณเจเดือนเข้าใจพระพุทธ ศ, ศาสนา หลังจากนั้นเนี่ยระเบิดออกไปดูครูบาอาจารย์สำนักต่างๆที่ท่านมีชื่อเสียงทั้งในสายวัดป่าทั้งนอกวัดป่าไปเรียนมาแทบทั้งนั้นเลยไปดูแล้วเขาภาวนากันยังไงในที่พวกเราภาวนานะมิตรีโน้นมิตรีนี้นะหลวงพ่อเคยลองแต่ลองหลังจากที่พาวนาเป็นแล้วนะมันลำ บ, บากพวกเราตรงที่พวกเรารองตอที่ยังภาวนาไม่เป็น เดาๆวิธีนี้ใช่ได้วิธีนี้ใช่ไม่ได้ซึ่งที่หลวงพ่อจะสอนให้วันนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีปฏิบัติไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแบบไหนเดินโจงกรมแบบไหนหรือว่าจะทำอะไรไม่มีคมาคว่าทำคาว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาแปลว่าเห็นปัฏฐาคือการเห็น วิเราเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นอะไรเห็นรูปนามกายใจของเราเองเห็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองเห็นตรงตามความเป็นจริงความเป็นจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์งั้นเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะต้องพยายามพัฒนาคุณภาพจิตใจของเราเนี่ยให้สามารถเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจได้บางคนมั่วนสอน เรื่องการปฏิบัติเนี่ยประเวณมาเยอะเลยเห็นเลยมั่วมากเลยเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าเห็นท้องผองยุกเนี่ยเป็นวิปัสสนาพุทโธหรือรู้ลมหายใจเป็นสมถะไม่ได้เข้าใจเนี่ยอานาการสติเนี่ยเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเป็นกรรมฐานพิเศษหรือดูท้องพองยุกเนี่ยถ้าเห็นอะไรเห็นท้องถ้าเห็นท้องไม่ได้เห็นไตรลักถ้าไม่เห็นไตรลักไม่ใช่วิปัสสนาธรรมัำตรงได้เลย แต่ถ้าคนไหนดูต้องกองยุบแล้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามใช้ได้รู้ลมหายใจเข้าออกแล้ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจนะไปเห็นลมหายใจไม่เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะแต่ถ้าหายใจอยู่นะเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์เห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เป็นพิปัสนาเห็นรูป คือธาตุที่ไหลเข้าธาตุที่ไหลออกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เป็นวิปัสสนาบางคนก็พุทโธบางทีก็ปรามาระหว่างสํานักกันว่าพุทโธเป็นสมถะถ้าพุทโธเป็นนกแก้วนกขนทองก็เป็นสมถะพุทโธพุทโธพุทโธจิตจะฟุ้งซ่านก็พุทโธพุทโธไปได้จิตสงบก็เป็นสมถะอะไรก็ไปรู้พุทโธ ถ้าเมื่อไรลง ร, รู้อารมณ์อย่างเดียวอย่างต่อเรื่องนะจนจิตไม่หนีไปจากอารมณ์มั น, นั้นโดยไม่ได้บงังคับอนั้นสมถะธรมรมฐานทั้งสิ้นเลยอย่างเราดูท้องพองยกไปนะฉะนั้นถ้าจิตไม่หนีไปไหนในแต่ท้องนะสบายอยู่กับท้องรู้อยู่ที่ท้องก็เป็นสมถะม่ดูจิตดูใจสว่างว่างอยู่กับความว่างความสว่างก็เป็นสมถะ <c oughs> มันหลักเดียวกันทั้งหมดเลยหลวงพ่ถึงพูดเมื่อกี้ไว่าถ้าถูกก็ถูกด้วยกันนะถ้าผิดก็ผิดเหมือนๆกันนะั่นแหละ หรืถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจเป็นสมถะทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าพุทโธเป็นสมถะอย่างเดียวเรื่องมิปั ส, สนาไม่เป็นหรืออนาการณสติทำแค่แต่สมถะกองยุเป็นมิปั ส, สนาอย่างเดียวไม่ใช่คนปฏิบัติแต่ละกลุ่มแต่ละสายที่เรางพ่อไปสัมผัสมาเกือบร้อยล ะ, ล ะ, ล ะ, ละร้อยทําสมถะหรือที่คิดว่าทํามิปัสนาเกือบร้อยละร้อย ในโยก่อนนะสาปีก่อนพระเบนสานักงนอนสานักงนีไ่ไปดูเขาต้วเลยเนะี่สิ่งเหล่านี้พวกเรานะเราลืมกรระฐานที่เราทำอยู่ก่อนลืมความฉลาดนองว่ากูเก่งกูเก่งไปก่อนถ้าเก่งจริงพ้ทุกไปแล้วนะถ้ายังไม่พ้นทุกเขาฟังอย่าทำตัวเป็นนัำชาลังทวยน้ำชาลัง้วยหาประโยชน์ยังไม่ได้ ปิดกั้นตัวเองแล้วเราดมความรู้เก่าที่เราเรียสกกนสกปรกฟังหลวงพ่อให้รู้เรื่องแล้วเอาความรู้ที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้ไปสวมเข้ากับความรู้เดิมกับฐานเดิมที่เราทําเราจะต่อยอดนด้นะนกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนียนะไม่ใช่กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเป็นกรรมฐานต่อยอดจากกรรมฐานที่เราเคยทำนั่นะส่วนใหญ่ทำแล้วก็ไปติดสมถนอยู่จนะต่อยอดขึ้นวิปัสสนาอย่างไร นี่เรื่องให่เลยใชอไม่ปรัชนาไม่ได้ไม่มีมักมีผลหรอกภาวนาทั้งทีชีวิตนี้ได้แต่ความสงังงเนี้มันอาขับมากนะภาวนาทั้งทีควรจะได้มักได้ผลนะอย่างน้อยในชาตินี้เห็นพระนิพพานสั่วครั้งเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ก็ปิดกั้นอบ า, ายแล้วก็ไปพูดเที่ยงแท้ที่จะตัสรู้ในวันข้างหน้าต้องเอาตรงนี้ให้ได้การจะเป็นพระโสดาบันได้ พรสุนทรบรรท์ท่านมีคุณสมบัติเองนะท่านมีศีลนะงั้นเิต้นพรเรารักษาศีลห้าไก่อนศีลห้าสคัญนะสคัญที่สุดเลยบางทีเราก็ถือศีลเอาไว้ b l กันนะพวกถือศีลแก็คูเก่งกวาศีลห้าพวกศีลสิก็กูเหนือกว่าศีลพวกศีล2องร้อยยกูศีลเยอะเพราะเห็นารวมีศีลห้าสู้กูไม่ได้ความจริง2 27รีได้ี่ชื่อที โยมมาขอสินพระประแจงในหมดหรือกองเตี้ยในหมดนะอย่างนี้ก็มีนะเราไม่ได้ปฏิบัตินะเพื่อไปรับคนอื่นนะเราปฏิบัติให้บรรจุหลักถูกเกมแล้วเรามีศีนเพื่ออะไรถ้าเรามีศีลได้เนะี่ยสมาธิเราจะดีขึ้นถ้าเราไม่มีสีลสมาธิจะเสื่อมความจริงการมีสินนะได้ประโยชน์หะายอย่าง แ, แรกเลยไหไปสุขติ ชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นที่สองเราจะมีภพขัตต์ฐานะวัชเป็นโยู่ที่สบายขึ้นที่สามเป็นทางเดินไปสูพ่พริพพานเพราะว่าจิตจะสรงสมาธิขึ้นง่ายคนไม่มีศีลสมาธิเสื่อมอย่างรวดเร็วศีลไม่ใช่เรื่องลําบากที่เราจะถือแต่ถ้าเราตือศีลไม่เป็นเราไปขอมาจาักพลัดก็ตั้งใจรักษาแป๊บเดียวก็ศีลขาด เรารักษาศีลที่ปากรักษาศีลที่มือที่เท้าไปคุ้มปากคุมมือคุมเท้าไม่ให้ทําผิดศีล น, นี่ปากเรามือเท้าเราเนี่มันทํางานตามที่จิตสั่งถ้าเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่กิเลสเครอบงนจิตไม่ได้นะศีลอัตโนมันจะเกิดขึ้นตอนนี้พวกเราต้อเรียนนะกิเลสรู้จักไหมกิเลสใครรู้จักโกรด ในห้องนี้ใครไม่เคยโกรธเลยยกมือให้หลวงพ่อดสูสิมีไหมมีไหมมีหมมี ห, มมหมใครเคยโลภนะอยากได้ราอยากได้ลยกมือิโอ้ใครบ้านไม่ยกไม่จะดูสาธุหนพระนาคามีโกรธก็รู้จักใช่ไหมโลกรู้จักฟุ้งซ่านรู้จักไหมกรธโรู้จักไหม กิเลสทั้งหลายเรารู้จักทั้งนั้นนะควาลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยบางทีเราก็เชื่อว่พระพุทธเจ้าบางทีเราก็ไม่เชื่อนะความเชื่อศรัทธาเราปุกปลุกโปงเนเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจมันไม่ยากเลยที่เราจะรู้ทันใจของเราพราะเรารู้จักก่เลส อ, อยู่แล้วต่อไป น, นี้นะก่เลส อ, อะไรเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทัน กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทันการที่เราคอรู้ทันกิเลสทันทีที่สติเกิดมันไปนรู้ทันปั๊บกิเลสจะดับอัตโนมัติไม่ใช่เราต้องดับมันนะมันมีกฎของธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่เรียกธรรมนิยามกฎของธรรมะก็คือว่าเมาื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสดังนั้นเราไม่ต้องไปสู้กิเลสอะไร เอาแค่ว่ากิเลสเกิดขึ้นในใจเรานะแล้มีสติรู้ทันโกรธขึ้นมารูวว้ว่าโกรธแล้ลบขึ้นมารูวนะาร้ว่าโล่แล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านกดหูรู้ว่าปิดหูสงสัยรู้ว่าสงสัยแนี่คอยรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเราคนทำผิดศีลได้เนี่ยเพราะไม่รู้ทันกิเลสที่เกิด ข, ขึ้นที่จิตกิเลสก็เลยครอบงำจิตเมื่อจิตถูกกิเลสครอบงำแล้ว จิตที่ไม่ดีนะมันมาครอบงำพฤติกรรมทางกายทางปาจารเราให้ผิดศีลห้านั้นถ้าจัด ก, การมันตั้งแต่ต้นต่อที่จิตของเราเจิตไม่ถูกกิเลสครอบงเนีำจิตจะไม่สั่ให้กายและปาจจาร์ทำชั่วทำเด็กคดขาดอย่างเวลาเราโกรธคนเวลาเราโกรธแล้วมีโทสศัเราจะทําร้ายเขาใช่ไมผิดศีลข้อหนึ่งแกล้งทลายทรัพย์สินเขาช้วนชิงทรัพย์สินรับ ก็ผิดสิ่ข้อสองแกล้งทำลายของรักคนรักของเขานะีก็ผิดสิ่ข้อสามไปด่าไปว่าเขานะหรือก็ท่านไปชมเขานะเพื่อให้เหลือเสียผู้เสียคนก็ผิดศีลข้อสี่หรือจิตใจเศรหมองมีโทสะรุ่มใจพิจินเหล่านี่ขาดสติหนักกว่าพิษเนี่นแค่โทสะตัวเดียวนะั้นมันทให้เราผิดสี่ง้าได้ทั้งห้าข้อเลย โลภะตัวเดียวก็เหมือนกันทําให้เราผิดศีลหได้ทั้งห้าข้อเลตัวโลภตัวเดียวเนี่ยก็มีความโลภไม่ไปทำลายคนอื่นก็ได้นชิงทรัพย์เขาเก็ไ้นะไปขโมยเขานะไปเป็นชู้เขานะไปล่อลวงเขาพูดจาหลอกลวงเขาก็ทําทได้หรือเวลามีความสุขเราเพลิดเพลินในความสุขจิตมีราคานะเวลามีความสุขคนไทยเราชอบทําอะไร กินเหล้าคนที่นี้ไม่รู้กินไหมกินไหมในห้องนี้้องกินน้อย้ะกินมากขงแมมวบ้าเดี๋ยวห้องกับนเรียนจะครูบาอจารย์ที่สุรินนะคนสุรินเนี่ยก็ภูมิใจที่เขากินเหล้าถึงขนาดมีสุภาษิตเลยมามาสุรินต้องกินสุราไม่กินสุราก็เหมือนหมาสุรินก็เอย่างนั้นเลยนะต้องกินเหล้าแพื่ภูมิใจนะ เวลาตุ้มใจก็กินเล้าใช่ไหมดีใจก็กินเล้าอีกเนี่ยรับขาเกิดก็กินเล้าโทสะเกิดก็กินล้าอีอานี่นมีกิเลสตัวเดียวเนี่ยนะผิดสีได้ห้าตัวเลยนะแต่ถ้าเรามีสติโกรธของเขาโกรธ เ, เขาขึ้นมาปุ๊บเรารู้ทันจิตที่โกรธความโรจะดับอัตโนมัติเลยนะมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกความโกรธ ด, ดับเราไม่ต้องทนนําผิดสี่ห้าเพราะความโกรธเพราะปัจจบเกิดขึ้นในใจเรา เรามีสติรู้ทันปั๊บความโลภจะดับเราไม่ทําผิดสี่ห้าแล้วความโลภอีกต่อไปแล้วนะใจลอยไปใจลอยลุมเนืลุดตัวเป็นกิเลสตระกุลโมหนะเนี่ยฟุงซานเมื่อไรเราใจลอยเมื่อนั้นเรามีกิเลสชื่อโมหะราค่าโทสะเนี่พวกเราเห็นง่ายรู้จักง่ายโกรธเรารู้จักใช่ไหมโลกเรารู้จักเป็นหลงเนะี่ยดูยากมากเลยเป็นกิเลสที่ละเลอียดเลย หัวโจกของกิเลสก็คืออาวิชาวิชาตระกูลโมหะหัวหน้ากิเลสเลยก็คือตัวหลงลตัวไม่รู้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริงเวลาเราใจลอยรู้จักใจลอยไหมใครเคยใจลอ ย, ยงไหมยกมือสิถ้าไม่ยกก็คือไม่รู้เรื่องเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาเกือบทั้งหมดนะั้นกับการใจลอย เมื่อไหร่ใจลอยนะเมื่อนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายมีจิตใจนะความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจไม่เห็นนะเราลืมจิตใจตัวเองกุศลกุศลเกิดที่จิตใจเราไม่เห็นนะเราลืมเนะมื่อไร่ลืมกายเมื่อไรลืมใจเนะมื่อนั้นแนหะโมหังครอบไปเรียบร้อยแนละ้วแต่เมื่อไหรรู้สึกกายเมื่อไหรรู้สึกใจได้เมื่อนั้นแหละมีสวัสดิ์กุศลเกิดขึ้นละ เราต้องมาพยายามนะอาศัยสติเนี่ยเป็นตัวรู้รรนสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราบางคนบอกว่าหลวงพ่อพโมดมีไรสอนแต่เรื่องดูจิตไม่รู้เราว่าการดูจิตเนี่ยเป็นพื้นฐานสำหรับการภาวนาทุกวิธีการเลยถ้าเราไม่มีจิตที่ถูกต้องนะไม่ว่าภาวนาวิธีใดวิเศษแค่ไหนก็ไปไม่รอดรอบทเรียนของพระพเจ้ า, ท, าท่านถึงมีเป็นลาดับลาดับนีย บทเรที่หนึ่งศีลสิงขาที่หลวงพ่อบอกกันเนี่ยศีลสิงขาตั้งใจงดเป็นไปก่อนประมามีสติรู้ท่านกิเลสที่เกิดที่ใจกิเลสครอบงำใจไม่ได้ศีจะเกิดจิตใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมานคนทำผิดศีลเนี่ยจิตใจร้อนรอนคนมีศีลมีธรรมจิตใจร่มเย็นเป็นสุขมีศีลเมื่อไหรก็มีธรรมนั้นนะเป็นดั้งเดิมอย่างเรามีศีลข้อนหนึ่งไม่ทําร้ายคนอื่นจนฉีนนะ ใจจะเกิดธรรมคือความเมตตากรุณาขึ้นมาเรามีศีลข้อสองไม่เคยเอาของใครเลยนะไ ม, ไม่งง น, ะนางไปนะเราจะมีธรรมะรู้จักเสียสละรู้จักจากค้ารู้จักทามรู้จักอะไรขึ้นมาเราซื่อสัตย์ในคู่ของเรานะไม่หมกมุ่นในกรรมนานๆนนไปเราก็เกิดคุณงามความดีมีธรรมะขึ้นมาเป็นผู้มีสันโดษในกรรมไม่หมกมุ่น มีความสันโดษในกามพึงพอใจในสิ่งที่เรามีนะีถ้าเรารักษาสี่ข้อสี่ไม่โกงอกทิ 6, พย์รัดหลอกลวงนานๆไปเราจะได้ธรรมะอีกตัวหนึงมาได้สัจจะเราจะเป็นคนมีสัจจะขึ้นมาถ้าเรารักษาสี่ข้อห้าไม่เเฟงหลงธรรมดาก็หลงอยู่แล้วนะยังไปกินเหล้าเมาย า, ยาเสพติดอะไรกันมาหลงหนักกว่าก่อนถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านีนะ้ก็ง่ายที่เราจะเกิดสติสัมปชัญญะ มีศีลนะจะได้ทํามะมาเยอะเลยต้องรักษาศีล น, นะเคราว่ารักษาศีลอยากรักษาแล้วขารักษาแล้วก็ขาดแต่ไม่เป็นไรพระยังต่อเลยพระยังปรุงอวบเรื่อยๆนะคราวว่าศีลขาดไปก็ตั้งใจรักษาใหม่ตั้งใจไปเรื่อยๆเวลาตั้งใจรักษาศีลให้ตั้งใจมาลีสีครั้งก่อนอาหารสามรอบก่อนนอนอีกรอบตั้งใจบ่อยๆ เวลาจะทําผิดศีลจะได้ได้หายใจแล้วก็ค่อยๆมีฝึกสตินะรู้ทานจิเลที่เกิดที่จิตในที่สุดศีลจะน้ขึ้นมเมื่อนะเราได้ศีลแล้วใจเราสงบสุขนะจะเป็นบาปเป็นฐานที่จะพัฒนาใจให้สูงขึ้นอีบทเรียนที่สองของพระพุทธเจ้าเนะี่ยชื่อจิตสิกขาเห็นไหมเอกรองเขาบอกไม่เอาจิตไม่เอาจิตนะมันดูถูกบทเรียนที่สองนะทุกวันนี้ที่เราทํากรรมฐานกันแท่เป็นทแทบตาย แต่ไม่ได้ผลเดี๋ยวได้อย่างมากก็แค่วันนี้สงบพวกนี้ฟุ้งซ่านไปทําอีกสงบอีกเดี๋ยวก็ฟุ้งอีกเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยเรียเรื่องจิตให้ตรงแท้แล้วเราต้องมาเรียนเรื่องจิตเนบทเรียนที่สองเนี่ยค่อยๆสังเกตจิตใจของเราไปจิตใจอย่างนี้เป็นขูศลจิตใจอย่างนี้เป็นอกุศลจิตใจโลภขึ้นมาโู้ทันจิตใจโกรธขึ้นมารู้ทันจิตใจหลงจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจวโมทูก็รูทันไปเรื่อยนี่ฮะรู้ทันรู้ทันรู้ทั การที่เราเคารู้ทันมากมากมัดนะต่อไปโดยเฉพาะจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจะเป็จิตที่หลไปจิตของเราเนี่ยไม่เคยอยู่กันเนื้อกันตัวเลยนะในโลกนี้นะเมื่อก่อนหลพ่อพูดมนาะตั้งนานนะตั้งแต่ก่อนบวชนะสอนพวกเพื่อนเพนะื่อนนบอกเธอรู้ไหมคุณรู้ไหมในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวนับตัวได้เลยคนที่รู้สึกตัวเองนะมีแต่คนลง กระทั่า น, นั่งสมาธิก็หลงอยู่กับสมาธินะสงบอยู่ก็ลงอยู่กับความสงบไม่มีคนรู้สึกตัวหายากเต็มทีอันนี้ไม่ใช่ของความพูดคนเดียวด้วยหลวงพ่อสอนเพื่อนที่มากลุ่มหนึ่งเป็เขารู้สึกตัวเก่งเมื่อเวลาถาไปกราบครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งๆนะบางอจิต ท, ท่านไหว่มากเนะลยเข้าไปวัดท่านนะท่านนอนฉันเข้าวรถเราเข้า ห, หานมองเลยขึ้นไปกราบท่านนะ มันรวมกันมาได้ยังไงขนาดนี้ตั้งสิบคนนะนั่งรถตู้ไปรวมกันมาได้ยังไงตั้งสิบคนจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบ า, บ า, บาหวานะนขึ้นมาได้ฆวาสก็ทําได้นะหลวงพ่อเนี่ยฝึกเจอถ้ า, าจิตตั้งมั่นนะจิตมีสมาธิที่ถูกต้องนะตั้งแตเป็นฆราวาสไม่ใช่สงบนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบนะพวกเราอย่ามัก ง, ง่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตปเป็นเพราะฉะ น, นั้นก็กลมดูเลย สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนี่เราต้องมาเรียนนะทําทไงไหนจิตเราจะตั้งมั่นนี่เราคือบทเรียนที่ชื่อจิตตศึกขาตอแรกก็รู้ว่าจิตอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้เป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลนัมันจะหนักจิตที่เป็นหนักอกุศลนัมันจะแข็งไม่ใช่หนักยอย่างเดียวแข็งด้วยแน่นหนักแน่นแข็งซึมทื่พวกเราจเหมือนมากเลยที่ลงมือปฏิบททัตนะิทำแล้วจิตแน่นใครเป็นบ้าง ถ้าเป็นรู้ตัวเลยนะกาลัง ส, ร, สร้างอาุศและจิตอยู่ไม่ใช่ทาจิตที่เป็นกุศลให้เกิดหรอกกาลังทาอาุศสอยูนะ่พอลงมือทำนีนะจิตังแน่นไปหมดเลยแข็งไปหมดเลยหรือไม่ก็ซึมนั่งสมาธิแล้วก็ซึมเคยเป็นไหนั่งแล้วชอบน้อมน้อม ใ, ใจเใคเป็นเปลยนไหอาุโสนะ คิดดูสิธรรมดาว่าอคุศลอยู่เยอะแล้วนะเข้าวัดมานั่งสมาธิมันทำอคุณศนมากกว่าเก่าอีกนั่นมันจะดีขึ้นมลยไอ้เห็มันต้องเลี้ยงเราไีกเนี่ยงั้นถ้าเราปฏิบัติที่ผ่านมานะปฏิบัติแลจิตมันหนักมันแน่นมันแข็งมันซึมมันทื่อต้องรู้นะว่านี่อคุศลจิตจิตที่เป็นกุศลเป็นไงจิตที่เป็นอคุณศนจะเบาเรียกว่าละหุตาเบาอ่อนโยนนุ่มกวลนะเรียกว่ามุทุตา อ่อนโยนนุ่มนวลนะคลนะ่องแคล่วไหวเรียกว่าป่าขุนตากรรมญาตาเนี่ยควรเกี่ยการงานนะเป็นจิตที่ควรที่เรามาทําวิปัสสนากรรมฐานนะอนะุชุกตาซื่อตรงในการดูอรมณไม่เข้าไปแทรกแสงจิตของเราเนี่ยจอบแทรกแสงอารมณ์ในเรานั่งสมาธิจิตไม่สงบอยากให้สงบไหมพยายามใหญ่หาทางทำให้สบงบใหญ่ หรือมัไม่เกิดปัญญ า, าเกรเคงจะให้เกิดปัญญาให้ได้นี่รูปนี่นามนี่รู้นี้นอกุศนะจิตที่เป็นกุศลแท้ๆนะเบานะอ่อนโยนนุ่มนวนคล่องแคล่วว่อ ง, อ ง, อ ง, องไวควรแกการงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ประกอบด้วยราคะไม่ประกอบด้วยโทสะไม่ประกอบด้วยโมหะคือความหลงเนี่ยถ้าเราไม่เคยรู้เลยเนะี่ยเราก็ลงมือปฏิบัติตทำเราก็กาลาเราไปสร้างอคุศละจิตขึ้นมา แทนที่จิตจะเจริญขึ้นจิตก็แยกออกเคยเห็นพวกภาวนาเราเพี้ยนไหมเพียนหรือภาวนาเราอยู่ในวัดเราเรียบร้อยมากกลับบ้านนียร้อยมากเลยะหลวงพ่อเคยเจอมาแย่ๆเลยนะแต่ก็เป็นโยมนะอยู่วัดเรเรียบร้อยมากเดินผ่านมานอนอยู่นะเดินผ่านนะเดินเรียบร้อยก้มตัวหน่อยๆเดินข้างๆหมาถามว่าคนะุณป้าทำไมต้องเดินเรียบร้อยอนยะ่างนั้น โถพ่อควรเผื่อก็เป็นพระโทธิสัตว์ก็ลึกซึง้งโอ้คุณป้าเนี่ยบารมีดำลึกซึง้งคุณป้าเนี่ยมาวันเนี่ยมีคนใช้มาเยอะพอคนุณป้าคล้ายหลักคนใช้บอกมีเชื่อไม่เชื่อชุมันร้ายที่สุดเนี่ยตรมมฐานอย่างนี้นะกรรมฐ า, านเก็บกดทาให้มันแหมดูดีมากๆเลยนะพอหมดแรงกดเมื่อไรร้ายก่าเต งั้นต้องค่อยๆเรียนนะเรียนเรื่องจิตเรื่องใจในเรื่องใหญ่เลยก่อนจะถึงขั้นจรมาปัญญาเนี่ยต้องเรียนเรื่องจิตก่อนงั้นใครบอกว่าไม่เอาเรื่องจิตไม่เอาเรื่องจิตมันจริงๆกว่าพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าสอนสีลสิกขาจิตสิกขาแล้วถึงจะถึงปัญญาสิกขาวิธีที่จะเรียนเรื่องจิตเนี่ยเครื่องมือในการเรียนของเราก็คือสติไม่เป็ เครื่องมือทำให้มีสี่อใช้สติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจกิเลสครอบมันใจไม่ได้เกิดสีเครื่องมือที่จะให้เรียนรู้จิตะก็คือสติค่อยดูจิตไปเร่อยๆค่อยรู้ทันจิตไปเรื่อยจิตสุขก็รู้จิตทุกก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้นะจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตโหดหูก็รู้จิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้ค่อยหัดดูไปจิตมีราคาจิตเป็นอกุศลแน่ จิตมีความสุขเป็นอกุศลหรืออกุศจิตที่มีความสุขอะถ้อรหัรต์ก็มีความสุขนะไม่ใช่สมนัติเมตนาความสุขเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลก็ได้ออกุศลก็ได้นะงั้นภาวนาแล้วถ้าจิตมีความสุขเป็นอกุศลยี่เป็นพรมนังทาไมล่ะนะแต่ถ้าจิตมีความทุกข์นะเป็นอกุศลร้อย ถ้าจิตมีความสุขเนะ่ยเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้นะถ้าจิตเป็เบกุศลผลามีราคะ ก, ก็ได้นะมีโมหะ ก, ก็ได้เป็นกุศลก็ได้มีได้ไหลายแบบเนี่ยเราค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้จิตใจตัวเองเไปด้วยทีละเล็กทีละน้อยนะดูจากของจริงโกรกขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้หลองขึ้นมาก็รู้ฟุ้งซ่านปดหัวก็รู้ นะดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์คอยรู้คอยดูไปเรื่ อ, อ, อนะาการที่เรียนรู้จิตไปเรื่ยนะต่อไปเราจะเห็นอย่างหนึ่งื่อทุกคราวที่จิตมันเคลื่อนไปนะจิตมี่เคลื่อนที่ได้นะแปลกวิ่งไปได้วิ่งพล่านไปเนะลยพระพุทธเจ้าบอกว่ากายนี่เป็นขูหาเป็นถ้าเป็นเปลือกให้จิตอาศัยอยูนะ่จิตเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวัดนั้นคืน สอนอย่างนี้นะถ้าพวกเราได้ยินแครสอนให้จิตเที่ยงเนี่ยต้องรู้นะว่ามีชาติถิ่นพระเจ้าเจ้าสอนให้จิตตวงหนึ่งเกิดขึ้นตรงหนึ่ดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตนิ่เที่ยวไปรวดเร็วขนาดพระเจ้าเจ้ารียกว่ารวดเร็วมันเร็วจริงเที่ยวไปที่ไหนที่โคจรของจิตที่เที่ยวไปของจิตก็คือเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจเที่ยวไปดูรูปเที่ยวไปฟังเสียงเที่ยวไปดอกลิ่นเที่ยวไปลิ้มรสเที่ยวไปรู้สัมผัสทางกายเที่ยวไปคิดนึกทางใจ จิตของเรานี่หนีเที่ยวตลอดเวลาเนี่ยมันสร้างไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสแสวงหาอะไรสแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโทนธรรมะและธรรมารมธรรมรมไปเรื่องราวทางใจนะทำไมมันเที่ยวสแสวงหาไปเรื่อยเเพราะมันอยากได้รับความสุขอย่างเราไปดูหนังเนี่ยอยากทุกไหมหรืออยากสุขอยากมีความสุขไหอยากพ้นจากความทุกข์เราไปฟังเพลงร็อกแล้วอยากมีความสุขใช่ไหม หรือเราจเจอคนบางคนเขาพูดพร้อปากหวานอนะไรเงี้ยพูดเจอหน้าเาทีไหลในะทน่าที่เราแย่เลยหน้าตาเรายังกระตุกช้าเหยียบมานะก็ชมเธอคนนี้ดูดีอนะไเงี้ยแต่เราตรืนะ่มก็อยากได้ยินนะอยากได้ยินอนะไรเงี้ยพอใจเนี่ยเที่ยวแสวงาหาอารมณ์ที่พอใจอยู่แต่ว่าจิตเนะียไม่เคยพอใจอะไรจริงพอใจอย่างนี้แล้วนะก็จะไปเอาอย่างอื่นต่อทันทีเลยเพราะมันไม่เต็มมันไม่ยิบ มันมีความสุขจากกาไปดูหนังแปบ๊บเดียวนะดูหนังจบไ ม, ม่ความสุขแลอ ย, อยากอย่างอื่นต่ออยากไปฟังเพลงอยากไปหาของอร่อยกินอยากไปเมากับเพื่อนอยากนอนอยากนี้ขึ้นมาจิตที่วิ่งคลั่งตลอดเวลาเนี่ยเพราะมันวิ่งหาความสุขถ้าเรารู้หลักตัวนี้นะเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีสมาธิไม่ยากเลยสมาธินี่มีสองอย่างนะเนี่ยต้องเรียนตั้งนั้นเลย สมาธิมีสชนิดถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยรไปทำสมาธิชนิดเอาไว้สงบเอาไว้พักผนะ่อนเราจะคิดว่าจะเกิดปัญญาในวันหนึ่งัน้นาไม่เกิดหอกหลวงพ่อทําสมาธิชนิดแรกเนี่ยชนิดพักผ่อนเนี่ยยีปีไม่ได้เกิดปัญญาเราพลิกนิดเดียวมาเป็นสมาธิที่ใช้เดินปัญญาใช้เวลาไม่นานเลยไม่กี่เดินเข้าใจเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนที่ครูบ า, าอาจารย์สอนสมาธิมี2อชนิด ถ้าเราเรียนเรื่องจิตแล้วเราจะแจ่มแจ้งในสมาธิสองชนิดถ้าเราไม่รู้เท่าทาันจิตใ จ, จตัวเองเราจะมักจะทําสมาธิชนิดแรกคือสมาธิชนิดที่สองไม่เป็นสมาธิชนิดแรกเนี่ยให้จิตสงบอยู่ในรันเดียวนะที่มีความสุขแล้วจิตจะได้ความสุขได้ความสงบอย่างที่บอกมเมื่อกี้ว่าจิตมันวิ่งคลานตลอดเพื่อหาความสุขแล้วมันก็ไม่สมจริงมันก็ต้องวิ่งทัดทานชีวิตอนะ ถ้าเรารู้หลักตัวนี้นะเราก็หากรรมฐานอย่างนึงขึ้นมาคนไหนพูดโทแล้วมีความสุขก็พูดโทไปคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปอย่าบางคนไปดูท้องพองยุบเพิ่งเคียดเนี่ยพยายามจะทำอีกนะทำผิดนะทําจิตทำกุศลให้เกิดงี้เราเลือกมารมณ์นะอย่างหลว Luca, งพ่อแท้แต่เดนะ็กเนีอานาปานสติแล้วมีความสุขก็ขหายใจนะ อ น, ة, นัตตาสติก็คือหายใจไปด้วยความมีสติ حد. ไม่หลงลืมหล ง, ลงหายใจหายใจเราก็รู้สึกหายใจเราก็ uke, รู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวหายใจไปหรือถ้าอเดินชมกรง ก, รก็เดินไปเห็นร่างกายมั น, นเดินนะคอรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันนเดินรู้สึกอยู่ยามรู้สึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเมื่อจิตมันได้อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแล้วมันจะไม่วิ่นร่ามไปหาอารมณ์อืน่น มื่จิตไม่วิ่งพลานไปหาอารมณ์เดียวจิตจะสงบนี่คือเคล็ดลับนะอันนี้สอนเคล็ดลับให้เราไหมหลวงพ่ อ, อยังไม่ได้บอกเลยว่าให้พวกเราทํารรมฐานวิธีไหนใช่ไหมแต่สอนหลักให้สอนหลักก็คือถ้าเราต้องการให้จิตสงบจะทําสมาธิชนิดแรกเนี่ยเราต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขต้องดูตัวเองไม่ใช่ดูอาจารย์ไม่ใช่ดูเพื่อนต้องดูตัวเองเหมืนอนอย่างเราจะซื้อเสื้อสักตัวนะ ต้องดูเสื้อให้พอดีกับตัวเราไม่ใช่เห็นรุ่นนี้สวยมากเลซื้อมานะตัวเรายางกระชั้นน้ําเสื้อรุ่นนี้สวยตัวเทคนิคเดียวไม่มีประโยชน์เลยกรรมาฐานที่เหมือนกันไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นนะไปดูตัวเองว่าจิตใจของเราอยู่กับอารมณ์ชนิดใดแล้วมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นนะนะทางใครทางมันนะถ้ารู้หลักเนยะหลักอันเดียวกันก็คือน้องจิตไปอยู่ในอารมณ์อัเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเ น, นื่อ แต่มีวงเล่นว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่กิเลสถ้าเล่นไพนะ่แล้วมีความสุขนะเล่นต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนมีสมาธิร่วมกันนะแต่สมัติออกนอกตํารวจมายังไม่รู้เลยจิตจดจอ่อตำรวจมาสกิจยิ่ง ย, ยุ่งนะเล่นต่อเล่นหนีจนหมดวงนะไม่รู้เลยนะสมาธิสูงสมาธิได้เกิดกับจิตอักุสสมก็ได้นะเราต้องเลือกอารมณ์ที่ไม่ยั่กิเลสบางคนบอกเล่นพุ้นนั่งเฝ้าหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้วันนะ จิตแปลงขึ้นแปลงลงบอกเน่อยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขมากความจริงไม่ได้สุขเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจจิตไม่สงบนั้นถ้าจะให้จิตสงบนะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อนเนื่องวงเล็บอารมณ์นะต้องไม่ยุ่งกิเลสอย่างหลวพ่อนะบางทีนะเวลาเหนื่อ ย, อยสมัยเป็นโยมไป น, นั่งที่โรงร่งใต้ต้นไม้ดื่ม น, น้ำ ลมพัดเย็นๆนะสบายใจแค่เดอยียวใจก็งสงบนะวิธีฝึกให้ใจงสงบนะถ้ารู้เคล็ดนะง่ายที่สุดไอ้ที่ว่าทำสมาธิไม่เคยสำเร็จนะก็ไม่รู้เคล็ดอะไรนี่นะเคล็ดวิชาเนี่ยสำคัญนะถ้าได้เคล็ดนี้แล้วก็พวกเราปเป็นเรื่องทำกรรมฐานเราถนัดกรรมฐานอะไรก็ทำไปถ้าอยู่กับพุโทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุโทโธไปรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจไป ดูท้องฟองยุบแล้มีความสุขก็ดูท้องฟองยุบนะัขยับมืออย่างหลวงพ่เทียนมีความสุขก็ขยับไปเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปทำอะไรก็ได้ให้มีควา ม, มสุขถ้าทำไปเรื่อยๆจิตมันจะพอใจมันจะอยู่แนวตรงนั้นนะไม่หนีไปที่อื่นนี่แหละหลักของสม ถ, ม ถ, มถมนะธรรมทานสอนหลักให้นะเมื่อที้บอกเราว่าจะมาสอนหลักส่วนวิธีการนั้นสอนไม่ไหว ใส่เข้าใจปิดกทำไมมีธรรมะเยอะแย 8, 4, ะไลยแปดหมื่นสี่พันพระธรรับเพราะพุทธเจ้าสอนคนหลากหลายจริยนิสัยไม่เหมือนกันก็เลยมีธรรมะเยอะแต่ธรรมะสําหรับคนคนหนึ่งเพื่อความค้นทุกข์ไม่เยอะรอกนิดเดียวนะแต่ละคนนะใช้หลักธรรมานิดเดียวนะขอให้รู้หลักรู้จักวิธีเลือกนะหรือแรองเราบางคนขี้โมโหนะขี้โมโหทำการรมฐานอะไรแล้วจะมีความสงุขไนะ้ย ก็ แ, แผ่เมตตาแล้วจะมีความสุขแลง้นคนไหนขี้โมโหนะก็แผ่เมตตาไปเรื่อยทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเธอเดี๋ยวได้มีเวล์ช่กันได้กันเลยนึกไปเรื่อยนะน เ, ยเริไปเรื่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีทําไปเรืใจจะเย็นใจจะมีความสุขคนไหนประมาทมากนะฟุ้งซ่านหลงโลกมากนะอาจจะพิจารณาความตายไมคิดถึงความตายบ่อยๆ ถ้าชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนนะโมโหลงระเริงอนะไรก็ร้องเี่ยพน่าร่างกายไปเรืจิตก็สงบได้นะคนไหนมีศรัทธานะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็สงบไดนะ้คนไหนตั้งใจรักษาศีลมาดีแล้วเวลาคิดถึงว่าโอ้ที่ผ่านมาเรารักษาศีลไม่เคยด่าวร้อยนะคิดถึงเราไม่บวมโสนคิดถึงศีลที่รักษามาดีแล้วจิตก็สงบได้ แม้กรรมฐานที่ให้จิตสงบนะหมูจะตายง่ายไอ้ที่แบบเข็นจะเป็นนั่งให้สงบนะแต่จริญนิสัยไม่เหมาะกันมันก็ไม่สงบหรอกอย่างหลวพ่อแล้วทำอานาปานสติหายใจจึกเดียวแล้วสงบแล้วทําจะเข้าสุดลมด้วยซ้ำเลยอยู่ที่ใจมัชอบสมบัติปธรรมเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจได้พับปลอดมีเรื่องมีแรร่างกายเราก็ต้องการพักบ ร่างกายเราพักให้เป็นนอนจิตใจเราต้องการพักเราพักอยู่อารมณ์กรรมฐานแต่ถ้าเราไม่ทํากรรมฐานนะจิตใจเราไม่พักจริงนะรวมเราไปอย่างเราก็ทั่งนองหลบนะรวมสมองเราไปแป๊บเดียวแนละ้วก็ขึ้นมาฝันนะจิตใจไม่ได้พักจริงวิธีให้ใจได้พักก็คือทำำาํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่มีความสุขน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์นะัน้นนานไปจนชํานาญนะ การชํานาญของสมถะเนี่ที่ดีที่สุดก็ครบสี่ประการถึงจะเรียกว่าชํานาญจริงอนหนึง่งชำนาญในการเข้าสมาธิเข้าได้เร็วนะึยัเข่าเมาไหร่ก็ได้อยู่กลางถนนก็เข้าได้นะชำนาญในการทรงสมาธิไว้นะชำนาญในการออกจากสมาธิบางคนออกไม่เป็นนะเข้าไปแล้วออกไม่ได้แล้วก็ออกมาก็โมฆะครอบออกอนะไรไม่ดีแล้วก็ชํานาญในการเจริญปัญญาในสมาธิ ซึ่งตัวนี้ทํายากนะนะคนที่จะเจริญตัญญาในสมาธิได้เนี่ยต้องเก่งสองอยา่างหนึ่งต้องเก่งฌ า, านชํานาญในการเข้าออกทํานานในการทรงอยู่อันที่สองชำนาญในการดูจิตชำนาญในการดูกายเนี่ยจะไปเจริญตัญญาในฌานไม่ได้นั้นะมาเจริญตัญญาตั้งนอ้องทาสมาธิก่อนออกมาเจริญตัญญา น, ะนีไม่หมายกันนะสมาธิเนี่ยทำไป นะสมธานะสมธิชนิดที่หนึ่งนะที่จิตอยู่กับโารมณ์เดียวอย่างมีความสมุขทำไปเพื่อให้มีความสุขมีความสงบให้จิตใจมีเรื่องมีแร ง, รงได้พักผ่อนถ้าจเจริญปัญญารวงไปเลยนะดูรูปตัวนามร่วดไปเลยถามว่าทําได้ไหมถ้าจิตมีสมาธิชนิดที่สองคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่จเจริญปัญ ญ, ญารวดไปเลยทำได้ถ้เราบรรลุเป็นพระอรหันตะ์จะเป็นพระอรหันต์ชนิดที่ว่าสุขวิกัสสก ไม่มีของเล่นเท่าไหร่ทาได้สูงสุดที่ปฐมฌานนะแต่ว่าระหว่างปฏิบัติไปนี่แห้งแรงเหนื่อยเหนื่อยยากลาเข็นมากเลยแต่ถ้าจิตมันมีที่พักได้นะเข้าสมาธิพักได้เป็นช่วงชวงช่วงไหนมีเรี่ยวมีแรงก็เดินปัญญ า, าไปช่วงไหนอ่อนแรงแล้วก็ทํ า, าความสงบเข้ามาพักความถ้าอย่างเงี้ยจิตใจก็ชุ่มชื่นมีแรงภาวนาเยอะนะ บางคนมาพันานเลยไม่อยอมเดินปัญญาเี่ส่วนใจจะมาเป็นอย่างนี้นะติดอยู่แล้วสมาธิเราไม่เดินปัญญาดัางสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในโรมันเดียวเนี่ยมีประโยชน์คือเอาไว้ใช้พักผ่อนมีโทษคือถ้าติดเนี่ยนะไม่เดินปัญญาต่อนะแล้วเราอย่าติดสมาธินะถ้าติดสมาธิเราก็ไม่มีปัญญาหลายคนที่ภาวนานะั้นเขาค่อเกิดความรู้สึกนะ้ำในเนี่ยในร่างกายเรานี่ในใจเรานี้มีตัวนิ่งๆิ่งอยู่ตัวนึง เห็นร่างกายเห็นทุกสิทุกอย่างลนะ้เกิดดับมุนไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่ามันมีตัวที่ตัวหนึ่งน่ยนิ่งคงที่อยู่นะี่นี่อาการที่ติดสมถะอันหนึ่ง น, นะอีกพวกหนึ่งก็มีแต่ความสุขติดความโล่งความว่างความสว่างใจอยู่ข้างนอกใจเป็สว่างว่าอยู่ข้างนอกก็ ม, มีความสุขอยู่เรื่อยมื่นี่ก็ติดสมถะเนี่ยสมถะเนี่มีุลและมีโทษนะมีคุณก็คือได้พับผ่อนพอสมควรแล้วเอาไปเจริญปัญญาเนี่ยจะมีแรง มีโทษคือถ้าเป็นติดจะไม่ยอมใหเจริญปัญญางันะ้นถ้าเราจะทำสมถะเราก็ต้องรู้ความพอดีพอควรถ้าทำไปแล้วจิตสงบพอสมควรแล้วเราไม่ยอมเจริญปัญญาต้องน้อมจิตออกเดินปัญญาการน้อมจิตออกเดินปัญญานะก็คืออาจจะใช้การคิดพิจารณาร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์เข้าไปเลยใช้ามานคิดออกในการกระตุ้นไม่ให้จิตติดเชื้ นั่นอย่างครูบาอาจารย์บางสายวางสำนักเนี่ยท่านสอนให้พุโทโธใจใจอะไรเงี้ยจิตสงบแล้วให้ออกมาดูกายพิจารนาักายต้องรู้นะว่าเป็นอุบายเพื่อไม่ให้จิตนิง่งติดนิง่งติดเฉยนะเนี่ยถ้าเรารู้หลักที่หลวงพ่อสอนแล้วนั้นเราไปฟังครูบาอาจารย์ไม่ว่าองไหนนะเราจะรู้เลยว่าท่านสอนอยู่ในระดับไหนนะท่านอาจจะเก่งก็ได้นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เรียนได้แค่นี้แล้วก็เลยสอนแค่นี้ ถ้าเราคิว่าตรงนี้ถูกแล้วทั้งหมดของคําสอนมีอยู่ท่านี้แล้ชาตินี้เราทำเพื่อไปไหนนะก็ติดแป๊กอยู่ที่นั่นเองนั่นเรียนหลักให้แม่นเนี่ยสำคัญสมถะกรรมฐานเนี่ยนะวิธีปฏิบัติก็คือน้องจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างตอนเริ่มและเป็นอารมณ์ที่ไม่ยัก่กิเลสทางใครทางมันไม่เหมือนกันถ้าทําได้แล้วจะได้อะไรจะได้กําลังนะมีเรียวมีแรงจิตใจสดชื่น เพื่อจะเอาไวใ้ใช้เดินปัญญาต่อเมื่อย่าเรา ร, รักผ่อนร่างกายพอสมควรแล้วเนี่ยเอาร่างกายไปทํามหากริมเนะนี่ยถเกิดความเจริญรุง่งเรืองจิตใจนี่เหมือนกันนะพับผ่อนพอสมควรแล้วนะต้องออกไปเจริญปัญญาถึงจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในธรรมนี่สมาธิชนิดที่หนึ่งนะทำเพื่อความสงบเพื่อพักผ่อนสมาธิอย่างที่สองนะต้องเรียนก็คือการฝึกให้จิตตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่นี่สวนมนต์ทำวัดแบบสวดโมกไหนะหรือส่วนธรรมดามีส่วนมนต์แปลไหมที่นีถ่ถ้ายังไม่เคยสวนนะไปหารามนะทำแปละนะั้นดีมากมากเลยนะในบทธรรมชาตินะสอนกรรมฐานไปเย อ, ยอะเลยสอนเรือมิปัญน า, าไปเยอะเลยไปค่อยๆไปดู ในวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นทำไงจิตปกตินี่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งตลอดเวลาจิตขอคนปกติไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการที่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยอาศัยวิธีฝึกคืออาศัยสตินี่แม้สติใช้ทุกงานเลยไหมครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะบอกว่าสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสอนขนาดนี้เลยนะ อาศัยสติก็มีสีอาศัยสติถ่อยน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีอารมณ์สุขได้สมาธิชนิดสงบอาศัยสติรู้ทางจิตที่เคลื่อนไปจะได้สมาธิชนิดที่ไม่เคลื่อนสมาธิชนิดที่ไม่เคลื่อนก็คือสมาธิชนิดตั้งมั่นนั่นเองจิตจะไม่เคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิอย่างนี้อาภาพที่สุดเลยคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเลย นักปฏิบัติที่ทำสมาธินันเกือบร้อยละร้อยนะไปทำสมาธิอย่างแรกนะส่วนสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวบบานเนี่ยแทบไม่มีคนทำเลยถ้าโกราวรรณผท่อประวัติเนยะตอนเจ้าชายสิทธฐฐานเล็กๆแต่โยไม่กี่ควบพี่เลี้ยงพาอุ้มไปนะดูงานแรกหนักปันพระเจ้าสุโทธนาพ่อของเจ้าชายสิทธัตถไถนา พี่เลีงก็ไปดูเขาเช่าชายเศรษฐาถาทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ต้นว่าว่าต้นว่าเช่าชายเศรษฐาถากอยู่ตามลำพักนะ้ะที่เป็นเด็กเนี่ยลุกขึ้นนั่งสมาธิในตาําเขาบอกว่าได้ปฐมฌานเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็ขาดจบเรื่องหนั่ง น, นะหลางากนั้นก็ไม่มีเรื่องเช่าชายเศรษฐาถน์ฝึกสมาอีกไอ้มีอีกทีนะึงตอนที่ออกจากวังไปนะออกไปบวชนะท่านบวชของท่านเอเนนะี่ย ไปอยู่กับฤๅษีจาได้ไหมาลาแล้วทาบทุต้องกระดากที่หักทำสมาธิเขทําสมาธิเสร็จแล้วท่านก็ในเวลาไม่กี่วันนะท่านทําชานถึงชานที่เจ็ดที่แปดได้เขาออรูปฌานได้ท่านก็บอกว่านี่ไม่ใช่ทางนี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกเป็นพวกที่ว่านั่งสมาธิแล้วจะพนทุกไม่พ้นนะพระเจ้าท่านทานหลอกนะลงเข้าชานที่เจ็ดที่แปดไม่พนทุกท่านก็ออกเลยลาอจากออกมา ไม่ได้ด่าอาจารย์นะลาอาจารย์ออกมานะเราไปหาทางเราเองเป็นท ร, ร ม, มนานร่างกายฝึกทางจิตไม่ได้เลองฝึกทางกายดูบ้างอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุขอยากสบายก็ทรมานมันดัชนีใส่มันเดี๋ยใจจะได้พ้นจากการยึดถือพยายามจะไม่ยึดอะไรแต่พยายามไม่ยึดด้วิจีที่โหดร้ายนั่ตัวเองบังคับตัวเองอย่างรุนแรงสุดท้ายท้าเราพอาไม่ใช่ทางท่านกำลังตื่ จริงๆในตำราเนะี่ฉบอกพระยินมามดีผินให้ฟังใช่สายที่หนึ่งตึงไปสายที่สองหย่อนไปสายที่สาพอดีเป็นเพลงไพเราะท่านคิดถึงทางสายกลางขึ้นมาได้ท่านทําสมาธิในตำรามุ่งท่านนั่งสมาธิจนถึงชั้นที่สี่นะออกจากชั้นที่สี่มาเจริญปัญญาพิจารณาปฏิจจสมุ ป, ปบาททำไมทำถึงชั้นสี่ คำว่าชานสี่เนี่ยนะมันรวมไปถึงอารูป์ฌานเนี่ยนะอารมณฌานที่หนึ่งสองสามสี่รูปก็มีสี่อารูปสี่เนี่ยจริงๆถือเป็นฌานสี่มีหงสองมนะอีมือเบกขาเอกาตามีโพงธรรมสองนะในตำราบอกว่าท่านเข้าชาญที่สี่แล้วมันตัดอะไรกับที่ไปฝึกจางนะรูษีเพราะแล้สมาธินี่มีสองชนิด น, นะ สมาธิมีสองชนสมาธที่สงบลืมเน้อ ล, ลืมตัวไปเลยแบบนึ่นั่นสมาธิฤๅษีสมาธิที่ฝึกเราจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบักบานนะทรงฌานอยู่ด้วย น, ะนี่สมาธิสัมมาสมาธิของพระ พ, พุทธเจ้าสมาธินี้อางพักที่สุดเลยแล้วจริงๆไม่ค่อยมีใครเคยสอนตรงนะรั้นทัืงจิตตะศิขาเคยได้เรียนไหมไม่มีใครสอนออสหรอกเรื่องจิตตะศิขาให้ไปเรียนเรื่องจิตตะศิขาไปนั่งนับว่าจิตมี89ดดวง ตูรายละเอียดมีร้อยยวงแต่ที่จริงไม่เคยเห็นสักดวงเลยไม่ใช่จิตต่อสิกขาจิตตสิกขาเห็นจิตเห็นใจจริงๆและสมาธิเรามีสองชนิดนะชนิดหนึ่งสงบในโร่มันเดียวชนิดหนึงจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเนี่ยตรงข้ามกับจิตที่ฟุ้งซ่านอาศัยสติรู้ทางจิตที่ฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นเองมีคำว่าเห็นั้สั่งให้จิตตั้งมั่นได้ไหมได้แต่จิตจะแข็ง จะหนักแน่นจะแข็งจะซึมจะซึ้งกลายเป็นอกุศลจิตแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตเนี่ยไหลได้หกช่องนะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปรู้รสไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลไปคิดนึกทางใจจิตไหลได้หกช่องทางแต่ว่าช่องที่ไหลที่สุดบ่อยที่สุดนะคือทางใจจิตไหลไปคิดเนี้ยเกิดบ่อยที่สุดจิตไหลไปดูพวกเราทดสอบจิตที่ไหลไปดู ดูอะไรดีลองดูดอกไม้ดูสิบ้านดอกไม้นี้มีกี่ชนิดลองนับสิเดี๋ยวเราก็จะถามเราสังเกตไว้ว่าใจเรามาอยู่ที่ดอกไม้นี่นี่แหละจิตที่โซออกไปทางตาจิตไหลออกไปทางตาทาไมถึงไหลไปทางตาเพราะมีมีรูปประทังหาอยากเห็นรูปจิตเก็ไหลไปทางตา มีสัตวาตัณหาอยากฟังเสียงจิตก็จะไหลไปทางหูอย่างเราเห็นคนคุยกันเราสนใจไหมฝึกที่ผสม <c oughs> อยากฟังพ่อเ <c oughs> ม, มียข้างบ้านนั่คุยอะไร <c oughs> ขนาดนั้นใจเอาไปอยู่ที่เขาแนละ้วและขนาที่ดูดอกไม้ใจไปอยู่ที่ดอกไม้นะขณะที่จะฟังใจไปอยู่ที่คนที่พูดนะขับรถอยู่คนะนไทยมีบ่อยถูกปัดหน้าที่นี่ไม่ค่อยมี คนอเมริกาเนี่ยไม่ขับรถแก่งเราคนไทยจะสู้เราไม่ได้คนไทยโอดกว่าเยอะเไม่ใช่้างของกูกูก็จะไปเนี่ยขับรถอยู่คนปาดหน้านะไอเกตไม่ต้อจะดูอะไรเราจะดูให้คนที่ปากเราใช่ไหมเนี่ยเวลาเราไปดูเขาเราก็เห็นเขาเราลืมตัวเราเองเราดูดอบไม้เห็นดอบไม้แต่เราลืมตัวเองเมื่อกี้รู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองมีร่างกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืม เวลาที่ใจไปคิดเราก็จะหลมตัวเองสังเกตดูในขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อบางทีก็ตั้งใจฟังฟังประโยคสองประโยคก็สลับไปคิดสลับไปคิไปคิดฟังไปคิดไปเองดูสิจริงไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะฟังสลับไปคิด เราฟังสลับกับคิดมาตั้งแต่เล็ก ๆ, ๆแล้วท่านได้เกิดมานะท่าเราไม่เคยรู้เลยเราก็คิดว่าเราฝังตลอดที่จริงฟังสลับกับคิดมาตลอดเลคิดมากกว่าฟังอีกมันเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเนะชื่ อ, อยังไงก็คิดไปอย่างนั้นนะรับของใหมย่ยากสังเกตที่ใจเราเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดเดี๋ยวก็ไปดูนะสังเกตบ่อยๆแล้วเราจะพบว่า จิตที่ไหลไม่คิดเนี่ยเกิดป่อยที่สุดเลยหลับตาเนี่ยไหลไม่คิดได้ไหมลองหลับตาซิดูซิหลับตาแล้วห้ามจิตทําได้ไหมทําไม่ไดไ้ปิดหูแล้วก็ห้ามจิตก็ทําไม่ได้ดังนั้นจิตที่ไหลไม่คิดเนี่ยเกิดป่อยที่สุดเลยจิตที่ไหลไม่คิดเนี่ยแล้วเราลืมกายลืมใจนะขาสติแล้วนะ แม้ว่ากรรมฐานจริงๆแล้วเอียดอ่อนขนาดนี้นะงั้นจะเอามาเอาผลมาใจไหลคิดลืมตัวเองใจไปดูก็ลืมตัวเองเห็นรถชนกันก็ไปดูดูได้นะแต่ว่าต้องรู้สึกตัวนะส่วนใหญ่พอเราไปดูปุลืมตัวเราเองเลเมื่อไรใจไหลไปแล้วเรามีสติรู้นะจิตที่ตั้งมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติต้องฝึกจนมันเกิดเองโดยอัตโนมัติถึงจะใช้ได้ ถ้าจงใจให้ตั้งมั่นจะแข็งกระด้างเกินไปนะจะเป็นอคุโสรจิตทันทีเลนะยใช่ไหมประณีต ม, มากในะเรื่องจิตเรื่องใจนี่เรากำลังเตรียมจิตเพื่อจะไปเดินปัญญานะยังไม่ถึงขั้นเดินปัญญาเลยบางค น, นไปเข้าคอร์สห ว, ว, วันเวันยังไม่ทันไรเลยบอกจะไปทำพิปัสนาปัสนาอะไรนะยังไม่ได้เตรียมจิตให้พร้อมที่จะเดินปัญญาเอาจิตที่มีโมหะนะั่นแหละไปทําพิปัสนาทํานทำไม่ได้จริงหรอกนะได้แต่ความเครียดเครียดกลับมา ว่วันสุดท้ายก็จะสบายใจม่มีความสงขถ้าไม่มีความสงขทรมานมาหลายวันเจะกลับบ้านมีความสุขสิเรื่องธรรมดาเบสิคที่สุดเลยนั่นเราคอยสังเกบนะสังเกตจิตแล้วจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้จิตไหลไม่คิดเรารู้หลวงพ่อจะหยุดพูดห้ามพวกเราคิดเห็นไหมว่าจิตไปคิดได้ไปฝึกบ่อยๆนะจิตนี้จะไหลไม่คิด ไหลวิชิตห้ามไม่ได้แต่ถ้าเรารู้กันว่าจิตไหลไปคิดนะจิ ต, จ, ตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติไความจริงจิตผู้รู้นี่มันทได้2วิธีนะหนงเข้าฌานนะจะถึงฌานที่สองนี่ราวิโตวิจารจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาในกัจจ ป, ปิฎกท่านใช้คําว่ามีเอโกที่ภาวะภาวะให้ความมึนๆภาวะแห่งความรู้ น, นั่นเองการรู้อีกวิธีหนึ่งสําหรับคนที่เข้าฌานไม่ได้รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆ จิตไหลไปคิตปุ๊บรู้ทันก็กลายเป็นจิตรู้จิตรู้อยู่ได้ช่วคราวก็ดับกลายเป็นจิตคิดในหัตรงนี้บ่อยๆนะทุกวันทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่เดิมทํากรรมฐานเพื่อนอกจิตให้สงมบมมอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเพื่อสมาธิชนิดแรกต่อมาฝึกเพิ่มขึ้นทํากรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าจิตหนีไปจากกรรมฐานนั้นรู้ทันจิตสมาธิชนิดแรกเนี่ยเอาตัวอารมณ์ที่จิตไปรู้เนี่ยเป็นหลัก สมาธิอย่างที่สองที่เราจะฝึกนี่เอาจิต yup. เป็นหลักเช่นเราหายใจเข้าพู้ทโธหายใจออกพทโธแล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตนีไปคิดเรารู้อย่างนี้จะได้สมาธิชนิดที่สองถ้าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธลืมโลมไปเลยได้สมาธิชนิดที่หนึ่งเลยรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกถ้าจิตไปจับอยู่ที่ลมหายใจนิ่งอยู่ที่ลมหายใจมีความสุขอยู่กับลมหายใจเป็นสมาธิชนิดที่หนึ่ง ถ้าหายใจไปแต่รู้จิตเป็นหลักหายใจไปไม่ได้เป็นเพ่งลมหายใจนะลมหายใจไม่ได้เป็นตัวเอกเราหายใจไปจิตนีไปแนละ้ก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันรู้ทันจิตที่ไหลจนะได้สมาธิอย่าที่สองขึ้นมาเห็นไหมมันมีหลักนะถ้ารู้หลักแล้วเราชอบอาจารย์ไหนทํากรรมฐานแบบไหนไม่ทําให้ถูกหลักมันไปได้ด้วยกันตนะ ถ้าผิดหลังก็ผิดเหมือนเดิมหมดติดสงบติดเพ่งติดนิ่งนะเราดีไม่ได้สักทีกี่ปีกี่ชาติก็อยู่หลวงพ่อเสียเวลาอยู่กับสมาธิชนิดแรกยี่สิปีนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียเปล่านะเอามาใช้งานได้ทีหลังอย่างตัววันนี้ที่ใช้สอนสอนอาศัยผลพวกอย่างสมาธิชนิดแรกเองแต่ว่าสมาธิชนิดที่สองเนี่ยเจริญบุญดูนะฝึกจะจำนานครับนะฝึกไม่กี่วันใจก็ตั้งมัน่นแะ เราเคยทำสมาธิมาเยอะนะพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตไหลไปคิดรู้ปับนะ๊บเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาเลยรู้เลยว่ามันอันเดิมอะ่ะจากการที่เราไปนั่งสมาธิลึกๆมานะอันเดียวกันลักษณะเดียวกันเนยตอนที่จิตจะถอนออกมาเป็นผู้รู้ครั้งแรกนะดวยวิธีที่รู้ทันจิตที่ไหลไปคิดวันแรกนะที่ไปเรียนจารหลวงปูดูวันนั้นเลยนะไปหาหลวงปู่ดูมว่าวันที่6กกุมภาพันห้าร้อย ท่านท่านสอนให้ดูจิตเท่านบอกให้ดูจิตเลยเขาขึ้นรถไฟได้ตกใจให้เราดูจิตไม่เป็นหรอกเราไม่รู้เลยว่าจิตเป็นยังไงจิตอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรไปดูไม่มีอะไรสอย่างเลยตอนที่ท่านสอนบอกให้ดูจิตแล้วท่านถามเข้าใจไหมหมอกว่าเข้าใจกำลังลืมพอออกจากท่านมาพอรถไฟเริ่มวิ่งเท่านั้นตกใจแล้วว่าเราไม่รู้จักเลยจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ พอไม่รู้อะไรสักอย่างนะสิ่งที่หลวงพ่อทำหายใจทําอะไรไม่ได้เป็นกฎเลยนะโองการปฏิบัติทำอะไรไม่ได้นะฐฐทไไําสมถะไว้ก่อนถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ก็ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้นะทําสมถะไว้ก่อนงั้นสมถะเนี่ยทำความสงบจิตใจเนี่ยเป็นแนวรับอันสุดท้ายรองรับปฏิบัตินะัเป็นแนวตั้งตามอันสุดท้ายเลยลุดจากนี้ก็คือหลงโลนะกแล้วหลวงพ่อก็หายใจหายใจเลย จิตสงบแล้วจิตสงบแล้วก็มาคิดดูหลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตจะอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกา ย, ยจิตต้องไม่เกินร่างกายออกไปจิตไม่ไปอยู่ที่โต๊ะที่กุญแจที่ท้องไร่ท้องนาที่ต้นมหมากนับไม้เนี่ยจิตต้องอยู่ในกายเพราะนั้นต่อไปนี้นะเราจะมีสติเวียนอยู่ในกายนี้นะไม่ให้เกินกายออกไปนี่เป็นหลักของการปฏิบัติที่สําคัญอีกข้อนึ่งนะเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองอย่าให้เกินออกไปข้างนอก บางคนคิดมากนะม้เดินจงกรมนะพื้นอ่อนก็รู้พื้นแข็งก็รู้ไม่รู้ทำไมไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเราอยู่แล้วนะไอ้ขาเรานี่สิตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวเราทุกมาเรียนที่ใหญ่เกินกายตัวเองออกไปนล้วก็เลยจิตต้องอยู่ในกายไม่ต่อไปนี้จะคอยดูคนเบียนไม่ให้เกินกายออกไปแล้วก็คิดว่าจิตคืออะไรเนะหรือว่าจิตเป็นความสุข ดูของจิตเปน็นร่างกายไหยดูผมคนเล็บฟันหนังเลย่ยกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงนะจนร่างกายหายไปเพราะไม่เห็นมีจิตอะไรโผล่ขึ้น ม, มาพราจิตไม่ใช่ร่างกายนะมาดูตอบอีกจิตในความรู้สึกสุขู้สึกทุกข์หรือบทล่าทำสมาธิทุกให้มีความสุขขึ้นมาดูไปในความสุขความสุขดับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้น ม, มาเลยนั่งให้นานเลยไม่รับกรดิกนะให้มันทุกขมากมเลยดูเราไปในความทุกข์ดูไปเรื่อยๆเลยจนมันหายเมื่อย ห, หายปวดนะ ปวดมากมเข้ามันหายมันเองมันไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เห็นมีจิตขึ้นมาเลยนันะ่นจิตไม่ใช่ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์หรือว่าจิตเป็นความคิดมาถึงตรง น, นี้จิตคือความคิดหรือเปล่าตั้งใจคิดบทสลดมันพุทโธสุดสุดโธกรุณามหมั่นโหนพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาต่างพวกมาหันลงกคิดบทสลดมันนี้ขึ้นมามันเห็นว่าจิตเป็นกำลังคิดเดี๋ยวคิดอะไรก็คิดบทปวดสลด ทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะ่ะจิตรู้เกิดปั๊บขึ้นมาเลยเอออยู่ตัวนี้เอไอ้ตัวนี้ตัวเก่าที่เคยนั่งสมาธิมามันเจอได้รู้เลยว่าถ้าพวกเรารู้ว่าจิตคิดนะเราจะได้จิตรู้อัตโนมัตินะงั้นฝึกวิธีที่หลวงพ่อสอนเมเ่กีย้นะอ ย, อ, อ, อ, อย่างเราตังหลวงพ่อพูดหลพหยุดพูดปุ๊เราเลือกหนีพิจิตรึจริงไหมได้คอยรู้อย่างนี้นะ ในส่วนจะได้จิตรู้ขึ้นมาไม่ได้จิตรู้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราพร้อมสําหรับบทเรียนสุดท้ายขอ ง, ธธนนะรงพระพุทธเจ้านะนี่หลวงพ่อเทศน์ยาวผืินไปแนละ้คือวันนี้จา ว, ว่าต้องเทศนให้จบเลยนานแค่ไหนก็ต้องยอมเลยเนาะเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่มามริการอีกแล้วงั้น <c oughs> <c oughs> เรียนให้มากที่สุดนะอดทนไว หลวงพ่อไปเรียนจาครูบาอาจารย์ลำบากมานีเยอะเลยนะลบากครูบาอาจารย์อ ย, ราาอยู่ไกลไกลนี่บางท่านท่านก็เปลียนเลยนะหลวงพ่อมาสอน น, นี่นะเนี่ยเรียกว่าไม่ใช่ไกวเดินไปหาญา่ะนี่ยาติมาส่เข้าปากไกวแล้วทีไกว ย, ยังไม่กินในรุ่งรุ่ยตะมวยแล้วนะผสมเป็นไกวเล้ว สมาธิที่จิตตั้งมั่นนะคราว่าทำได้นะหลวงพ่อทำได้แต่เป็นเว่าทีท่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่บางคงจิตท่านใหม่เร่าพูดศิ่งเนะเจร ต, ตัวปริยายา น, นี่สมบูรณ์ไวมากเลยหลวงพุธสิ่งเจอหน้าหลพ่อนะท่านเรียกหลางพ่อผู้รู้ผู้รู้ก็คือตัวผู้โทนตัวผู้รู้ผู้ตื่นรู้ปฏิบาติไม่ใช่ผู้หลงเท่าไหร่จิ ต, จตมันรู้สึกตัวอยู่ทั้งวัน ร่างกายเคลื่อนไรู้สึกจิตเคลื่อนไปรู้สึกทําได้อย่างนั้นั้าแต่เป็นโยมคราว่าทําได้คนที่เรีนยนกับหลวงพ่อแล้วทาตรงนี้ได้ตอนนี้นอกไม่ท้วนแนละ้วเยอะแยะเลยก็เรียนรับแล้วก็ไปหาวิธีปฏิบัติแล้วถนัดอะไรก็เอาถนัดหายใจแล้วหายใจไปแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนถนัดดูท้องของยุบก็ดูท้องของยกแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนอเคลื่อนได้สแบบเคลื่อนไปคิดนะเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังอะไรเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเเคลื่อนไปคิด ยันเดินเคลื่อนไปเพ่ไปจ้องรู้ลมหายใจรู้จ้องลมหายใจรู้ท้องไปจ้องท้องจิตที่เคลื่อนไปอยู่ที่ท้องนเองถ้ารู้ทำตัวเนี้จะได้จิตที่ตั้งมัน่นต้องฝึกนะถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้นะเราไปเดินปัญญาไม่ได้จริงนะหรอกที่ว่าเขาพอจะมีศาสนาไม่เห็นมันเป็นมีปาสนาสักคนนะมันได้แต่สมถะที่เพียงตัวเองเท่านั้นนั้นเมื่อจิตเราเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยบทเรียนสุดท้ายแนละ้วเห็นไหม อ่านแล้วตั้งสงบทเรียนแ น, นะบทเรียนที่1ชื่อศีลสิกขาบทเรียนที่2ชื่อจิตสิกข า, าศีลสิกขาจะได้ดีถ้ามีสติรู้ทันกิเลสทั้งหลายที่เกิดกับจิตพรู้ทันปุ๊กิเลสจกิดจิตจะมีสีขึ้นมาอัตโนมัติสมาธิอันที่2บทเรียนที่2มีสมาธิ2องชนิดคือสมาธิสงบอยู่ในโารมณ์เดียววิธีการก็คืออาศัยสตินี่แหละไปเริ่มรู้อารมณ์ัเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะ ก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ย่อเกลิ่นจะได้สมาธิสงบสมาธิชนิดตั้งมั่นก็อาศัยสตินะี่แหะรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปเพียงก็รู้และจะได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นถ้าจากนั้ถึงขั้นเจริญปัญญาทันทีที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยคนซึ่งมีบารมีเคยสร้างสมมกิลงมาในทางเจริญปัญญาขนะันจะแยกตัวออกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยจะกระจายตัวออกเป็นส่วนๆอัตโนมัติเลย แต่บางคนก็ไม่เคยเจริญปัญญามาก่อนนะรู้สึกตัวแล้วจะรู้สึกอยู่เฉยๆขันมันจะไม่แยก่การแยกธาตุแยกขั น, เ, นเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาหลวงตามมหาโมเคยพูดนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไว้เป็นนะั้นอยามาคุยปวดเราว่าเจริญปัญญานะอันนี้ท่านพูดมาจากการปฏิบัติในทางปริยัติเนี่ยนะมียาอยู่ส่วนหนึ่งยาที่1ใน16บหกยาชื่อนามรูปปริเฉตยา นามรูปปริเชทิยานก็คือสามารถแยกรูปนามได้ก็คือการแยกแยกขันนั่นเองแต่ขันตัวรูปร่างกายเนี่ยแยกละเอียดออกไปก็เป็นตัวธาตุธาตุดินธาตน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นตั้งอยู่ในสเปดคืออากาศสัตวธาตุตัวนมามธรรมก็เป็นปีญญาธนะาตุนมามธรรมเนี่ยถ้าแตกออกไปจะเป็นขันสี่ขันก็นเป็นเบตนาขันคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกาย ความรู้สึกสุขร bueno. In ู unusual unusual> hmm. ้สึกท really ุกข์รู้สึกเฉยๆทางใจเป็นสัญญาขันคือความจําได้หมายรู้เป็นสัมภาระขัน์คือความปรุงดีปรุงชั่วทางใจเป็นวิญญาณขันก็คือจิตที่ออกรับรู้อารมณ์่างๆาหูจมุกนกายใจเนี่มัจะแตกออกแบร่างกายก็แยกออกเป็นอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งความจําได้หมายรู้แยกเป็นส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วแยกไปส่วนหนึ่ง จิตที่เป็นคนรู้คนถูแยกออกมกอีกส่นหนึง่งตัวนี้เรียกว่าหัดแยกขันในทางปริยัติเรียกว่านาำรูปปริเฉติายามีปัญญาแยากรูปนำใจเป็นจุดตั้งต้อนของการเดินปัญญานะถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้เดินปัญญาไม่ได้จริงนะเห็นท้องกองเห็นท้องยุบเราบอกแยกรูปแยกนามไม่ได้แยกรูปแยกนามเลยเป็นเพ่งรูปไปเพ่งรูปเฉยๆนะเดินจบ ก, กลมยกเท้าแยากเท้ารู้หมดเลยไเพ่งเท้าไปเฉยๆ ไม่ได้แยก ร, รูปหนาทำไมแยกรูปหนาไม่ได้เพราะไม่สามารถมี จ, จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาได้ถ้ามี จ, จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาได้ปุ๊บสตริระลึกรู้ร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตนี่เป็นคนละหันกันมันจะแยกกันถ้าจิต uh ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บทบาทจิตจะเป็นคนดูและสตริระลึกรู้ความสุขความทุกข์มันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตนี่เป็นคนละหันกันนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สติระลึกรู้ กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นหรือกุศลทั้งหล่ที่เกิดขึ้นมันจะเห็นเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้ามันจะแยกออกไปอยู่ต่างๆเลยนะอย่างกายใจนี่จะแยกขาดออกจากกันความสุขความทุกข์ก็จะแยกออกไปจากใจกุศลอกุศลก็แยกออกไปจากใจนะจิตเป็นแค่คนดูอยู่นะแล้วก็จะเห็นจิตเกิดดาวอยู่ทางทวาลทั้ง6จิตเกิดที่ตาไปดูรูปเกิดที่หูที่จมูกที่ลิน้นที่กายที่ใจตัวนี้ยากหน่อยแล้วนะ จริงสิ่งที่หลวงพ่อสอนแค่วันนี้มันยากมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังไม่ค่อยมีใครสอนส่วนมากจะสอนวิจิตรไม่ได้สอนหลักนี่สอนหลักนะหลักก็คือถ้าจะรักษาศีลให้ดีรักษาที่จิตอาศสติรักษาจิตจะทำฝึกสมาธิอาศัยสตินะรู้ทันถจิตไปสงบในโลมเดียวได้สมาธิชนิดแรกทีอ า, ารามานุกันิชาม จิตตั้งมั่นเป็นคนดูด้วยการรู้ธรรมว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งจะได้รักขนุปนิชฌานเรียกรักขนมปนิชฌานจิตที่จะเห็นไกลลับนะถ้าจะเดินปัญญาก็ามีจิตที่ตั้งมั่นนี่แหลนะจิตที่ทรงรักขนมปนิชฌานอยนี้มาดูความเครื่องไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจกายอยู่ส่วนหนึ่งกายก็ทํางานไปเนี่ยใจเคลื่อนไหวไปใจเราเป็นคนดูอย่างตอนนี้กายของเราหายใจออกหายใจเข้า เราลองดูนะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าทําตัวเหมือนเราเป็นแค่คนดูอย่าไปเพ่งใส่ลมหายใจนะถ้าเพ่งใส่ลมหายใจเป็นสมถะถ้าหายใจไปแล้วค่อยๆรู้สึกไปร่างกายหายใจใจเราเป็นคนดูให้เวลาหนึ่งนาทีลองดูร่างกายหายใจใชจเป็นคนดูคนที่ใส่แว่นนั้นผิดแล้วนั่นเป็นโรคจิตเข้ามาแน้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูแล้วเป็นตัดแปลกจิตให้แข็ง ก็บอกให้ดูพวกทานี่แหละน่าจะดูเป็นดัดแปลงสะก่อนนะต้องไม่ดัดแปลงเลยนะร่างกายของเราหายใจอยู่แล้วดูผัสสีเห็นมันหายใจมาเือนคนอื่นหายใจดูร่างกายของเรตัวเองเหมือนดูคนอื่นอนะดูบ่อยๆไหนไปคิดซะอะไรไปิดกลับบ้านไปฝึกนะะไปทํานะค่อยๆแยกแยกเราไป ก็เห็นกายกับใจแยกจากกันแล้วนะต้องทนนั่งต่อไปนานๆนะให้มันปวดปวดแขงปวดคาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดไหล่ให้ปวดหนักแล้วค่อยๆสังเกตความปวดเนี่ยนะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ครับความปวดไม่ใช่ร่างกายร่างกายตั้งอยู่ก่อนนะความปวดแทรกเข้ามาทีหลังนั่นความปวดไม่ใช่ร่างกายแล้วก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้ครับจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดู เห็นไหมตรงที่เราฝึกสมาธิชนิที่สองเนี่ยเราจะได้จิตที่อยู่ต่างหากเป็นคนดูขึ้นมานะี่เรีเยก ว, ว่าจิตผู้รู้คนระูบาอาจารย์บัดป๋าเรียมันจิตผู้รู้ น, ะนั่งไปเรื่อยนะนะดูไปความปุ่นเป็นสิ่งที่แปลกหลออเพราะมาัไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตดูไปเรื่อยพอมันปวดมากๆนะใจเริ่มกระซับกระสายแล้วไมนะ่นั่งอย่างนี้ไม่ดีนะเป็นอัตที่แล้วมธารดา้วยโยกไม่นอนดีกว่า ใจเริ่มกิเลสเริ่มปรุงนะเริ่มทอแท้ห่อเหี่ยวเริ่มหงุดหงิดลำคาญนะค่อยๆสังเกตแบบนี้ใจที่แรกเฉยๆแนละ้วตอนนี้ชักหงุดหงิดแล้วนะนั่งนานปวดใจไม่สบายแล้วค่อยๆดูไปจะเห็นเลยความไม่สบายใจนะกับความปวดเนี่ยโคจรันนะความป ว, นะ ว, วดอยู่ที่ร่างกายนะความไม่สบายใจมาอยู่ที่ใจเนะี่ยความไม่สบายใจตัวนี้เรียกว่าสังขารนะสังขารขัน เนี่คยค่อยๆหักนะถ้าใจเราเป็นคนดูเนี่ยตัววินัยหนักขันนะร่างกายเป็นตัวรูปประคัความสุขความทุกข์นะเป็นเมธนาขันะความปรุงดีปรุงชั่วเป็นสังขาระขันตัวจิตที่เป็นตัวรูว้อารมณ์เนี่ยอยู่ในวิน ญ, ญาณนักขัค่อยๆหักนะว่าขัน ม, มันจะแยกพวกที่ขันแยกได้นะก็จะเดินปัญญาต่อดูขันแต่ะขันมันจะแสดงไตรลักษณ์คือแสดงความไม่ใช่ตัวเราให้เห็น ร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราทั้งนั้นแต่ว่าเป็นรูปเหมือนนั้นไม่ใช่คิดเอานะบางคนก็สอนกันนะให้คิดเอาร่างกายมันนั่งรูปมันนั่งนามเป็นคนรู้ยรูปมันเดินนามเป็นคนรู้ให้นิชินเอาถ้ามีจิตตั้งมั่นเป็นคนตูวนั้นจะรู้เลยตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะเราไม่มีชื่อแต่ถ้าจะใส่ชื่อร่างกายมันน่งรูปมันนั่งอยู่ร่างกายมันเดินร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราร หรือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นความสุขมันเกิดความสุขมันดับความทุกข์มันเกิดความทุกข์มันดับไม่ใช่เราไม่ใช่เราสุขเราทุกข์นะความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรามจะแยกออกไปกิเลสเกิดขึ้นก็จะเห็นกิเลสเกิดแล้วกิเลสก็ดับไม่ใช่เราเกิดกิเลสไม่มีเรานะจิตที่ไปรู้ว่ารมทางตาหูจหมกูกเลินค้าใจรู้ที่ไหนก็เกิดที่นั้นดับที่นั้นตามองเห็นรูปเราก็ดับหูได้ยเสียงเราก็ดับใจไปคิดเราก็ดับเราจะทดสอบ ตามมองเห็นรูปเอามือตรงตัวเองขึ้นมาแล้วดูสังเกตไหมว่าเราเห็นมือของตัวเอง น, นีนชัดชั่วแปบเดียวเราดูซ้ดูขวาอยา่อางที่เราดูเห็นไหมว่ามันดูได้นิดเดียวแล้วมันจะเบลอๆไปเห็นไหมเราต้องขยับตาใหม่แล้วก็มองอีกทีหนึ่งก็ชัดขึ้นมาอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เบลอไปอีกดูออกไหม เนี่ยจากคูวิญญาณจิตนะจิตที่เกิดที่ตาแล้วขึ้นมารับรูปที่ชัดเจนได้ขณะเดียวเท่านี้ก็เบลอเวลาดับไปแล้วเนี่ยจิตมันเกิดดับนะจิตเกิดที่ตาแล้วดับเกิดแล้ดับเกิดแล้วกดับเวลาเรามองหน้าตัวเองในกระจกวันนี้กลับบ้านไปส่องหน้าตัวเองในกระจกที่เราบอกเราเห็นทั้งหน้านะไม่จิตรอกเราดูเหมือนต่อจิ๊กอดูตรงจุดนี้นะมันก็จะเบลอไปไปดูจุดนี้แล้วก็เบลอไปนะ อาศัยสัญญาหรือความจํทั้งมาประมวลขึนมาโอ้หน้าอนี้หน้าเราเองหรือหน้าอย่างนี้หน้าคนอื่นนั้นตามมองเห็นรูปเนี่ยเห็นช่วขนาดเท่าเห็นแว บ, บเดียวนะแล้วก็ดับเนี่ยไปฝึกดูนะค่อยๆฝึกเัาจะเห็นเลยว่าจิตเนี่ยเกิดดับได้ไปฝึกเอาเลยจิต ท, ที่มีความสุขรู้ทันเะไรมันก็ดับจิตที่มีความทุกรู้ทันเลยก็ดับจิต ท, ท, ท, ท, ที่ดีรู้ไปเรื่อยก็ดับจิต ท, ที่ชั่วรู้ไปก็ดับ มีแต่ของที่เกิดแล้ดับตรงที่เราเห็นว่าสิ่งเท่าไหรเกิดได้ดับได้รเรีว่าเห็ น, หนอ น, นิจจ์ตรงที่เราเห็นว่าสิ่งเท่าไร่ที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคันเพื่อให้สลายตัวไปเรียกว่าถูกขังตรงที่เราเห็นว่าสิ่งเท่าไหร่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตา olha. เห็นอนิจจ์ก็ได้เห็นทุกขังก็ได้เห็นอนัตตก็ได้เรียกว่า aves. ทำพิปัสนาอยู่แล้ว ถ้าม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่วิปัสนาเด็ดขาดเลยถึงจะแปลใต้ว่าเป็นขอ้อที่ปัศนาก็ไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์อันนี้นถ้าเป็นพราะนะเรียนนักธรรมเอกจะอยู่ในหลักสูตรนักธรรมเอกว่าวิปัสนาเนี้ยต้องรู้ไตรลักษ์ของรูปนาไม่ใช่เห็นรูปเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเป็นวิปัสนาไม่เป็นต้องเห็นในร่างกายที่หาชใจอยู่เนีนมันถูกบีบคั้น เราหายใจออกเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ของาการหายใจออกเราเปลี่ยนอีกอยาบหนก็เพื่อแก้ทุกข์นั้นเอเพราเราลองทดสอบดูเห็นไหมหนูข้อสอบนี้นมีวิ ธ, ธีทดสอบให้ด้วยลอหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิแล้วดูว่าสุขหรือทุกข์ทุกไหมเราต้องรีบหายใจออกใช่ไหมเพื่อแก้ทุกข์เราหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกไหม นี่แหละความทุกขบีบคั้นร่างกายเราอยู่ทุกขลมหายใจเขาบอกไม่ไม่ใช่เราพูดเล่นๆนะความทุกขบีบคั้นเราอยู่ทุกทุกอิริยาบถนั่งนานๆก็ทุกใช่ไหมยืนอยู่ก็ทุกเดินก็ทุกนอนก็ทุกนอนทุกไหมนอนไม่ทุกแล้วแต่ต้องคลิกซ้ายคลิกว่าหเลยคือหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งนะคลิกไปคลิกมาสามสิบสี่สิครั้งแม้ที่ว่าแหมนอนซื้อที่นอน ซื้อฟูกอย่างดีมาตั้หลายหมื่นเลยนะนอนจะให้สบายไม่สบายเพราะความไม่สบายอยู่ในกายของเราเองกาย ม, มันทุกเนี่ยดูไปเรืมม่อยนกายนี่แต่ไปเรืยทุกถ้ามาดูจิตใจจะเห็นว่ามไม่เที่ยงแต่ความโศกเกิดขึ้นในใจแล้วเดี๋ยวก็หายความสุขเกิด ข, ขึ้นมานะถึงจะ น, นานในอไรชักปันก็หายช่วงหนึ่งก็หายไม่อยู่แต่ตลอด จิตที่เป็นกุศลเกิดชั่วคราวก็หายจิตอักุศลเกิดชั่วคราวแล้วก็หายอย่างบางทีเราอยากมาฟังเทศเนี่ยจิตเป็นกุศลมาฟังเทศเราเป็นหมู่บ้านคิดถึงบ้านจิตก็เป็นอกุศลนี่นะเวร้าหมองไม่อยากกลับบ้านนะอยู่บ้านอยากมาวัดอยู่วัดอยากกลับบ้านเรไม่เคยอยู่กับปัจจุบันมีอยู่แค่นั้นตัวอยู่นี่ใจไปอยู่โน่นี้ตลอดเลยแล้วค่อยๆเรียนนะให้ค่อ ย, ยเรียนไนปะ ร่างกายเนี่ยจะแสดงตัวทุกข์ในชัดที่สุดจิตเนี่ยจะแสดงตัวไม่เที่ยงในชัดที่สุดกลางกลองกลางกลองย้อนที่สุดเลยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุ่เดี๋ยวทุกข์ตลอดเวลาเนี่ยเรียนให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อเอาดีไม่ใช่เรียนเพื่อเอาสุขเพื่อเอาสมบถ้าเรียนเพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบอันนั้นคือสมถกรรมฐานทําแล้วจิตดีจิตสุขจิตสงบแต่เราเรียนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจจิตนี้ไม่แต่ของไม่เที่ยง สุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงร้ายก็ไม่เที่ยงไปดูก็ไม่เที่ยงไปฟังก็ไม่เที่ยงนะไปคิดก็ไม่เที่ยงนี่แต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ด้วยสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ใช่ไหห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามช่วก็ไม่ได้มันเป็นของมันตลอดเลยเนี่ยดูจากของจริงนะดูของจริงของจริงในกายในมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลย ความจริงในจิต ใ, ใ, ใจมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้ดูมากเข้ามากเข้าถึงวันหนึ่งเนี่ยปัญญามันพอนะปัญญามันพอศีลเรารักษาวไว้ดีจิตเราสงบตั้งมั่นเราเติมปัญญาได้วันไหนฟุ้งซ่านนะดูไม่ได้นะาาก็ทําความสงบวันไหนจิตสงบดีแล้วก็อย่าสงบตลอดการออกมาดูความจริงของกายของใจดูใจรักของกายของใจเรื่อยๆไป เราฝึกมากเข้ามากข้าไม่ว่าจะทำกรรมถานอะไรนะมันก็อยู่ในหลักนี้ทั้งสิ้นเลยเช่นสายใจสายจิตสายเวทนาเลยก็อยู่ในหลักนี้ทั้งนั้นเลยดังที่หลวงพ่สอนให้เรานี่คือเรื่องของหลักนะัหลักของสมถานทาแบบนี้หลักของวิปัสสนาทําอย่างนี้สรุปหลักของวิปัสสนาก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นในเป็นกลางจิตที่เป็นผู้รู้ตั้งมัน่น แล้วพอไปรู้อารมณ์แล้วมันยินดียินร้ายให้รู้ทันมันนะควายินดีรายจะดับเองียจิจะเป็นกลางขึ้นมาฝึกรู้สภาวะทั้งหลายไปนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ของกายของใจด้วยไปด้วยจิตที่เป็นแค่คนดูอยู่นี่พูดงา่ายๆไปดูกายดูใจมาทํางานไปดูความเป็นไตรลักษณ์ของมันด้จิตใจที่เป็นแค่คนดูถ้าฝึกไดอย่างนี้ไม่ว่าจะทํากรรมฐานสายไหนนะ เขาไม่หนีหลักอันนี้นะเงินที่สอนให้วันนี้เป็นเรื่องของหลักเลยนะหลักข อ, องสมาธิทาอย่างนี้เิใช้ถรรนัดวิธีการอย่างาไงก็ไปเรือราเองหลักของวิทัศนาทําอย่างนี้ใครถนัดอย่างไรก็ไปเรื่องราบางคนทําสมาธิก่อนเดินปัญญาทีหลังและทำสมาี่ลึกเลยเดินป <forgiving S 1> ัญญาด้วยการถุกกายและเวทนากายหรือเวทนาบางคนทําสมาธิลึกไม่เป็นก็นะเดินปัญญาไปก่อนแล้วสมาธิที่ในขั้นชาญจะเกิดทีหลัง พวกี้ใช้ปัญญานําสมาธิดูจิตไปเลยนะพวกดูจิตไปเลยนี่เป็นพวกใช้ปัญญานําสมาธิถ้าพวกดูกายดอเวตนาเนี่ยใช้สมาธินําปัญญาแล้วพวกดูจิตนั้นถ้าทำฌาญได้ด้วยจะใช้สมาธิและปัญญาพวกกันแล้วทำฌานแล้ ว, วก็จะเห็นวงชาญเนี่ยเสื่อมไปดับไปสไลายไปปีติเกิดขึ้นแล้ก็เสื่อมสลายความสรงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไม่เตึนปัญญาในฌานยุคเราเนี่ยทำใจ น, น้อย ส่วนใหมายุคนี้นะอยู่ของเราเนี้ยดูจิตไปเพราะเราทำฌานไม่เป็นเราต้องใช้ปัญญานำสมาธิรุ่นครูบาอาจารย์ผู้หลัผู้ใหญ่รุ่นจั ก, ก่อนนะี่ยท่านทำสมาธิแล้วมาดูไ ก, ก่กัแต่ละรุ่นจริงๆต้องสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันอย่างครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะท่านชาวไร่ชาวนาชีวิตท่านลำบากสิ่งที่ท่านต้องการคือความสงบสุขในชีวิตทนะ่านไปหัดนั่งสมาธิอะไรเนี้ยจิตใจสงบสุขท่านชอบ เนั่งสมาธเสร็จแล้วออกมาดู ก, กายทำงานถ้าไปได้มันรุก ม, มาคนได้มารุ่นเราล้มสันม้นจะตายมันบันรู้ไปจะไปนั่งเข้าชานไม่เข้าก็าดูจิตนอาแล้วเราทำกรรมฐานเลือกออกเท่าที่เราทำได้ไม่ต้องไปเรียนแบบของคนอื่นเทาถ้าคนไหนทำชาญได้ทำแบบออกจากชาญแล้วมาดู ก, กาย คนไหนทำฌาญไม่ได้ดูจิตที่มันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุ่มเดี๋ยวก็ตุ้มไปสุดท้ายจะเป็นโรงงันเดียวกันเมื่อสติสมาธิปัญญาเนี่ยที่เราฝึกซ้อมดูกายก็ดูใจก็ตามแก่งกล้าขึ้นนะจนเกิดสติอัตโนมัติสติอัตโนมัติหมายถึงว่าสามารถะระลึกได้โดยไม่เจตนาะระลึกละระลึกได้เองร่างกายเคลื่อนไปรู้สึกเองจิตใจเคลื่อนไปรู้สึกเองนะถึงขนาดนี้ เรียว่าสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติก็คือจิตตั้งมั่นโดยไม่ต้องรักษาจิตเคลื่อนคลิกหนึ่งเห็นแล้วคลิกหนึ่งเห็นแล้วจิตจะตั้งมั่นโดยไม่ต้องรักษาปัญญาอัตโนมัติก็คือเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตกอยู่ใต้ใจรับตลอดเมื่อสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันสมบูรณ์เต็มที่จิตจะรวมเข้ามาที่จิต สมาธิที่เราฝึกในการเดินปัญญาเนี่ยคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตอยู่แล้วถ้าเป็นสมาธิที่จิตไปอยู่ที่ลมหายใจอริยมรรคจะไม่เกิดจิตจะต้องมาตั้งมั่นลงที่จิตให้ได้เพราะอะไรเพระอริยมรรคจะเกิดขึ้นที่จิตไม่เกิดที่อื่นไม่ไปเกิดที่ลมหายใจที่มือที่ตท้าที่ท้องนการที่เราฝึกสมาธิจนกระทั่งจิตตั้งมั่นถึงจิตจนถึงธรรมะมัรคเนี่ยนะโอกาสที่จะเกิดบางขนนั้นสูงขึ้น พอจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแล้วเนี่ยมีอะไรแปลกปลอกขึ้นในจิตนเดียสติระลึบโดยไม่เจตนาระลึบปัญญาเนี่ยรู้เท่าทันเลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีขำพูดนั้นไม่มีค า, พ, นะคาพูดในความรู้ของจิตความรู้สึกของจิตนะสติรู้ทันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันสมาธติตั้งมั่นจิตอยู่กับจิตจิตไม่หนีไปไหน ปัญญาเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นบไปเนะี่ยตรงนี้มันประชุมกันหมดเลยนะสติสมาธิปัญญาประชุมลงในจุดเดียวกันในขณะจิตเดียวกันโพธิปัฏฐารสม37ประการนะประชุมลงในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันนั้นด้วยนะประชุมลงที่เดียวกันหมดเลยเมื่อคุณงามความดีทั้งหลายประมวลตัวรวมตัวลงในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันเกิดพลังงานที่มหาศาลนะ มันจะแหวงอาสวะกิเลตที่ห่อหุ้มจิตเลยขาดส บ, บั้นองไปแล้วจิตจะเข้าสู่ความเป็นอิสระช่วงสองสามขณะในแวบเดียวนะอาสวะก็จะกลับมาปิดอีกตรงช่วงที่ว่ามันแบบออกเนี่ยจตะสัมผัสนิพพานเกิดอรอยิยมรรคเกิดอรอยิยผลในขณะนั้ น, นแสงสว่างปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่นิมิต น, นะอาโรโกทธาฏิโแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว มีจกักผูอุตตปาทิมีดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นว่าสิ่งในเจอสิ่งใดก็ดับนั่นแหลเรียกว่าเห็นดวงตาเห็นธรรมมียานาอุตตปาทิมีความอย่างรู้นะสังขารอะไรแปลกปลอมรู้อะไรนะมีปัญญาอุตตปฏทิเห็นความเป็นไกร ล, ลับของสิ่งทั้งปวกมีวิชาอุตตปาทินะรู้ธาตแทรกอนะไรนี้เป็นเรื่อเป็นกองทุกข์ทั้งมวลเลยนะก็ะมีอาโลโกอุตตปาทิแสงสว่างปรากฏขึ้น เป็นกระบวนการของจิตสถาบ้าช่วงที่จะเกิดอริยมรรเนี่ยสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวรวมทั้งหมดแค่เจ็ขนาดจิตเท่านั้นเองย่างที่เรามองมือเราเมื่อกี้นะมองเห็นชัดด้แบบนึง น, นั้นขนาดหนึ่งนะช่วงที่เกิดอริยมารเนี่ยแค่เจ็ขนาดเท่านั้นเองแล้วก็เราเหมเลิกโลกไปเลยอริยมารครั้งที่หนึ่งเกิดเนี่ยทำลายอาสวะกิเลส บางส่วนลงไปนะร่างสังโยนาติเล็เบื้องลึกในจิใต ใ, จใต้สาเร็จออกไปเนียถังหลังของกุศลทั้งหมดที่รวมตัวกันมาทางานเนะสร็จแล้วก็มันกลุ่มไปอย่างเดิมครั้งที่สองครั้งที่สามอาสะวะกิเลสก็กัมากลุ่มอีกแนตะครั้งที่สนะี่เนี่ยแตกสลายออกไปนะจิตมันเนีคล้ายๆแคเห็นลูกป่งเนี่ยลูกโป่งที่ลอยได้อนะถ้าเราเช็งไปที่ลูกป่งแตก แก๊สที่ใส่ไวในรถตุ๊กเนี่ยกระจายไปไม่มีขอบเขตจิต ท, ที่เข้าถึงความลึกทลไม่มีขอ บ, ไ ม, มขอบไม่มีเขตกระจายตัวรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวาากวับจักรวาลเลยไรขอบไรเขตไรจุดไรดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาจะไปได้ไหนไเต็มทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดฝึกเอานะถ้าใครไม่เปเมืองไทยนี่เป็นครั้งเดียวในชีวิต ที่ได้ฟังธรรมะสดๆตอร้อนจากหลวพ่อแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะมีซีดีมี youtube ราต้องเปยออแย้อนนะไปฟังซีดีของพ่อน่ะฟังแล้วฟังอีกถ้ามีแผ่นเดียวฟังเป็นแผ่นเดียวทั้งชาติเลยไม่ต้องกลัวนะฟังไปเถอะฟังเรื่องเดิมประโยคเดิมแต่ความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมธรรมะเป็นแบบนี้นะ เราเข้าใจตรรมะระดับนี้เราฟังแล้ว เ, เราเข้าใจทิ้งมาเลยพอภาวนานไปเรืนะ่อยไปฟังอีกคนวะามเข้าใจมันขนยะับขึ้นเราเข้าใจฟังสิ่งเดิมนะแต่เข้าใจไม่เหมือนกันตัวเราเองเนะอย่างพวกเราแต่ละคนนั่งในที่นี้นฟังหลวงพ่อเทศก็รู้สึกเหมืนอนหลวงพ่อสอนพวกเราแต่ละคนใช่ไหมเราเข้าใจแต่เราเข้าใจไม่เหมือนกันอกแต่ละคนความรู้ความเข้าใจนั้นเป็นตามชั้นตามภูมิของจิตนะ ความละเอียดความประณีตของจิตแต่ละคนงั้นมี c d แผ่แนเดียวฟังแล้วฟังอีกนะความรู้ความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมหรอกจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้หาง่ายนะมีเว็บไซต์ให้ดาวดนายย์โหลดเน่ยเยอะแยะเลยพวกเราอยู่ในประเทศที่เทคโนโลยีจเจริญมากที่สุดในโลกเราอาศัยเทคโนโลยีนี้แหละมาเรียนธรรมะได้พอสมัย อสู้หรือไม่พอสู้ก็ต้องสูง้ไมงั้นก็ถูกความทุกข์บีบคั้นเอาจนตายตายแล้วตายอีกอยู่นะถ้าระลึกได้นะระลึกชาติได้หรือมีเทพจัจสูกมีเจโตปริ ย, ายาัญญามีจตุป ป, ปัตญาเนี่ยจะรู้เลยว่าวัฏฏะนน่นากลัวที่สุดเลยเวียว่าตายเกือบน่ากลัวที่สุดเลยนี่หลวงพเทศมานานเทนา่าไรเกือบชั่วโมงครึ่งมั้งได้ไหม ชัวโมไม่เคยเทศยาวเท่านี้เลยนะทศที่ไหนก็นไม่ยาวแั่เน้นเทศมากที่สุด45นาทีนี่มาให้พิเศษเลยทีแรกหลวงพ่อรับนิมนมาอเมริกาเนี่ยปีกลายมาสอาทิตย์สามล้าปีนี้เ้าหานมากเลยกาสี่ล้านเนสอาทิตย์สีล้านสอาทิตย์ก็เลยจะแบกวันตรรมาเนี่ยพวกเราไม่สะดวก ก็จะแบ่งให้ชิคาโก้นะวันศุกร์กับวันเสาร์แล้วไป New York นะิวยอร์กนวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วเสร็จละการจะไปศุกร์เสาร์ที่ธรมว่าอาทิตย์จันทร์ที่ l อร์ยแล้วก็กลับสัปดาห์ที่ดีถ้อา จ, จารย์โยงตอนนี้นิมนต์ไปเราก็เห็นว่ที่นี่ถ้าจะดีนะอย่างน้อยก็ลูกศิษย์ท่านอาจารย์พุทธท า, าลูกศิษย์อาจารย์เดียวกัน ก็เลยต้องเพิ่มที่นี่ให้ที่ในต้นข้อเลยต้องเพิ่ ม, อ, ม อ, อีกอาทิตย์หนึ่งกลายเป็นว่าต้องโยู่อริกาสามอาทิย์สงส า, ารค น, น, นนะรในเมืองไทยนะแล้วข้อเทพในเมืองไทยครั้งหนึ่งเนี่ยคนฟังมากกว่าที่อเมริการวมกันเดือนนึ่งอีกใจเยนใจมีความสศกรู้สึกแย่แตมีความสศกรู้ เรารู้ไปเรื่อยๆสังเกตไหนความสุขเริ่มเปลี่ยนเป็นความนิ่งจากสุขเริ่มเปลี่ยนเป็ น, นเบียดคาหลวงพ่อไม่ได้มาเนี่ถ้าเราสงสัยในธรรมะข้อใดนะไปเปิดซีดีดูฟังเทศหนึ่งครั้งมีทุกเรื่องมีทุกเรื่องะ้ไม่ใช่ว่า เป็นข้ออ้างว่าโอ้โหหพ่อไม่มาหนูพ่อานาไม่ได้ไม่จริงหรอกในขี้เกียจเองเอ่ะนะเท่านี้พอสมควรสาธุทำไมไม่มีสตินะจำเงินมากเลยสาธุลืมตัวเองไปในขณะที่สาธุนะรู้สึกไหม เ, ออเกิดตายตอนนั้นจะทำยังไง ถ้าทุกขแล้วเกิดหลงสบายอสติสัมปันธ์นะไอเวลาเขาเดินเราดูเขาเราดึงตัวเราเองต้องฝึก น, นะไม่ใช่ว่าห้ามเผลอแต่เผลอเรารู้ไว้คนส่วนใหญ่เนี่ยมันเผลอวันละครั้งนะหรือตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอตลอดเลย ยิ่งนับปฏิบัติใจไหลแบบรู้สึกแฝบรู้สึกเผลอพันนันเป็นพันพันครั้งไหยยิ่งเผลอพ อ, อยิ่งดีว่มามาสงสัยอะไรตอนาีะใช้ได้แล้ว ค, ครับน้ำมัสการครับผมจริงๆก็ยงกังไปปฏิบัติไม่มากพอนะแต่ก็รู้สึกว่าบางครงาวในชีวิตประจงวันเนี่ยสงบมากสงบจะไม่ได้เสียหายอะไรนะ อันนี้มันมันเราต้องเห็นว่ามันยังมีสิ่งที่กับเราต้องทําอะไรมันบางทีมันสร้างเกตมารู้สึกว่ามันมันไม่ถูกยังมีความมันน่าจะมีความคิดอะไรที่ดีกว่านี้หรือว่าน่าทําดําเนินการอะไรทำอะไรที่มากนี้ได้อโรคนี้เป็นโรคประจําตัวนักปฏิบัติทุกคนเลนะตื่นนอนขึ้นมาก็คิดว่าจะทําังไงจะดีกว่านี้นะถ้ามันไปได้หรอ แต่ว่าบอกให้อ so ย so <Why? S 2> mm ่างหนูว่าที่ฝึกมันจะใช้ได้นะเพียงแต่ว่าเดินปัญญาเดินปัญญาอย่าให้มันสว่างว่างรู้ตัวอยู่เฉยๆดูกายดูใจทํางานไปถ้าจิตใจมันเฉยๆก็ดูกายเห็นมไหมกายเป็นทักหน้ากายไม่ใช่เราดูเขาเรคุณดูกายได้ชัดเจนเลยสวัสที่ดีแต่จิตไม่ถึงฐานนะจิตไม่ถึงฐานยังไม่ถึงฐานเออดูออกใช่ไหมดูออกใช้ได้ แต่ครานี้มันบางครั้งบางข่าว น, าในใี่ยคลายบว่าฟุ้งซ่านเป็นเยอะก็ฟังอะไยแบฟังเต็มอะไรครั้งพยายามรู้สึกตัวพอเรามารู้สึกตัวก็ครั้งพอเหตุการณ์มันฟุ้งซ่านไปแล้วเราขึ้นมารู้สึกตัวเรากลับมาพูดโทพูดโท้ก็ถู ก, ถกนะก็ปฏิบัติยิ่งเท่าเราเลยถูแล้วเพราะว่าระหว่างที่ฟุ้งซ่านเนี่ยจะรู้สึกตัวไม่ได้ต้อฟุ้งซ่านไปก่อนแล้วรู้สึก การดูกายกับดูจิตเนี่ไม่เหมือนกันนะการดูกายเนี่ยรู้โลงปัจจุบัขนขณะหรือขณะเนี้ยรู้สึกได้เลยในการดูจิตเรียปัจจุบันสันตติดู้สึกเนื่องกับปัจจุบันหลงไปก่อนหรือว่าหลงโกรธไปก่อนหรือว่าโกรธแต่ต้องรู้ไว้ๆเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นไทยก็รู้ชีวิตประจำวันมันก็ม า, ม า, มาทุกครั้งที่ผมมีปัญหาเรือร่องการลูกค้าทุกครั้งก็เราก็ควบคุมสติเราไว้อยู่อื แล้วพูดอะไรไปไมันก็สีขาดไปแล้วก็มาเสี ย, ยใจตัวเองว่านี่เต่ากันตอนน้วยกิดขึ้อีกแล้วตอนนั้นเราขาดนะสติดล้วสีขาดไปตรงที่เสียใจนี้เราก็ขาดสติครันที่สองแล้วนะจิตมีโทสะเกิดขึ้นะให้รู้ทัน อ, อะไรที่ไม่ดีเนยเราพลาดพั้งทำไปแล้วนะแล้วก็รู้ทันเหมนไม่ทําอีกไม่แค่นั้นเองอย่าไปสร้างโศกเสียใจแก่อดีต ปัจจุบันนีขอคุณต้างเดินปัญญาดูกายเยอะๆไหมตรงโยกสมาธิก็ดีนะแต่อย่าให้ติดเฉยหน้าเฉยไม่ได้นะดูกายไปดูผมผมเล่นฟันผมเลันก็ดูดูไปได้เรอคุณเป็ น, นกุบคนกราตบอกไปเสร็จแล้วการท่าน ช่วงที่ตามดูจิตเนี่ยบางครั้งตามไม่ทันอันนี้เกิดจากการปรุงแต่งของตัวเองหรือเปล่าต้องไม่ทันนะต้องไม่ทันโลกแล้วรู้ว่าโลกโกรธแล้วรู้ว่าโกรธหลงแล้วรู้ว่าหลงพระเจ้สอนบว่าดูคราภิกสูตทัง้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นมมีราคะขึ้นมาแล้วก็รู้ว่ามีราคะ ดรักเท็จสูตรทั้งหลายนะ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มั่นจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะมีโทสะแล้วก็รู้แค่นั้นพอละห้ามทันนะถ้าทันกลายเป็นเพ่งจิตไม่มีอะให้ดูเลยถ้าเพ่งนะ่าจิตจะ น, น, นิง่งเฉยๆว่างๆไม่ดีไม่เดินตัณยากดูจิตต้องระวังอย่างนะดูจิตดูจิตแล้วบาทีดูไม่ถึงจิตอกนะดูจิตไปเรืคิดอย่างเราเห็นโทสะเกิดขึ้นแล้ดูเหมือนมันจะเคลื่อน ตัวาเคลื่อนนะจิตเราก็เคลื่อนตามมันไปด้วยนะไปอยู่ข้างนอกนะตัวซาดับมากเลยจิตตัด บ, บ้านไม่เป็นเลยจิตไปว่างอยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างนั้นไม่ดีหายไปเลยเราหายไปสิ่งหนึง่งถ้ามันหายไปนะนล ก, กลับมาดูกายเราหาจิตไม่เจอแล้วเรามาดูกายเก็เลยกลายเป็นบ้านของจิตหาเจ้าของบ้านไม่เจอมาเฝ้าบ้านนะั้นเดี๋ยวก็เจอ สมาธิดีนะบางคนวันนี้สมาธิเยนะหเด็กนั In ่นก็ดีขณะที่ปฏิบัติจะถึงระยะถึงช่วงหนึ่งอะค่ะเราไม่รู้มีความรู้สึกว่าจะต่อไปต่อไม่ได้อืให้รู้โลกปัจจุบันไปใจรู้สึกงงว่าจะไปอย่างไรดีรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่นี่แหละกำลังปฏิบัติอยู่โทรศัพท์เกิดให้รู้โทรศัพทจะแฝง เกๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยจะหงุหงิเก่งพอหงุดหิดขึ้นมาก็รู้หงุงิดขึ้นมาก็รู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะต้องดีเลวก็ได้นะแต่ว่าไม่ให้ผิดศีลห้าเท่านั้นอาจจะจิตจะโกรก็ได้โกรธแล้วเรารู้ดูบ่อยๆเ <ๆ S 1> มื่อไหร่รู้สภาวะลงตังความเป็นจริงไม่นั้นปฏิบัติอยู่แล้วเช่นกำลังงงไม่ใช่ดูอย่างใงดีรู้ว่าเราปฏิบัติอยู่ ช่วงนี้อยู่ใช้เวลาทำงานเยอะเดี๋ยวก็ดูจิตดูกายเวลาทำงานตลอดเวลาทํางานถ้าทํางานที่ใช้ความคิดนะจะดูกายดูจิตไม่ได้เพราะว่าสติเราถ้าไปจดจ่อที่งานสมาธิไปอยู่กับงานปัญญาไปคิดเรื่องงานนะแต่ถ้าเราทํางานไปตล้วมัเหนื่อยท้อแท้ขึ้นมารั้วท้อแท้เนี่ยเราปฏิบัติ ทำงานได้ผลดีดีใจหรือว่าดีใจทำงานไม่ได้ผลเสียใจหรือว่าเสียใจอย่างนี้เรียกวปฏิบัติแต่ขนาดที่จดจ่อทำงานไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้เนาะไม่ต้องตกใจบางคนบอกว่าเนี่ยทุกวันเนี้ทำงานแล้วภาวนามไม่ได้อยู่ในที่ทำงานทั้งหลายชั่วโมงไม่ได้ภาวนาเขาจ้างไปทำงานแล้วไม่ได้ช่างหล่อ น, นาจะคิดโกหกเหรอ เอาเยก <ขอ S 1> ดนะีโอู้ปสิบันนี้ดีนะเก่งๆแต่ละคนดูของใสดีการรัชการกอเวลายองนั่งแล้วจะเงียบไปเลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรในโลกครับลา น, ล น, นี่ลองนั่งสิลองนั่งให้มันไม่มีโลกลมันก็มีสิคะ <laughs> มีเลยแล้วเวลาก็เปิดเทปท่านฟังค่ะ hmm. ที่นี่ก็หลับกัน นั่นก็หลับแต่พอรู้สึกตัวว่าโ อ, อ้มันเจ็บนะอืเพราะมันเจ็บฟังท่านเข้าใจหมดการทําลอกที่ท่านให้มาแล้วคือว่าท่านบอกว่านั่งไปมันมันจะติดมันก็ติดจริงๆแล้วยงจะเห็นว่าเออมันไม่มีอะไรในโรคจริงๆมันไม่มีแต่ว่าความรู้สึกมันคิดไปมันรั้งกิเลนไม่ได้จะรั้งกิเลสไม่ได้ใจที่หงดหงิดอะไรเงีแก้ไม่ได้ไม่ไม่ได้หงดหงิดแต่มันเงียบแล้วมาฟังเรื่องต่างๆในตอนเงียบตอนเงียบนะ พอกมากระทบาอารมณ์อของเราเนี่ยใจมันจะแหวงแหวงง่านะงั้นเราเวลาทํากรรมฐานเนี่ยถ้านั่งแล้วมันหลับนะก็เดินหรือว่าถ้าทํากันคืนแล้วหลับเราก็ทำแต่เช้ามันเกิดขึ้นตอเตนเช้าคนะ่ะแล้วเวลาเช้าค่ะวันตื่นขึ้นมาพ อ, พอรู้สึกแล้วว่าลุกขึ้นเดินไม่ได้เลยเพราะมันนั่งมานานค่ะนั่งอาทตย์สี่อาทิตย์ห้าเงี้ยค่ะแล้วก็วไม่ใช่ก็ต้องไปนั่งเดินเลย หรือไม่ก็คือกวาดบ้านถูบ้านเลยค<ะ>นะเครื่องไบทํางานอะไรเดี๋ยไปคิดว่าการภาวนานหรือการนั่งสมาธิน่ะแคบไป<ะ>การภาวนานเนี่ยทุกๆอิริยาบถทุกๆลมหายใจเข้าออกนะมีสติกํากับอยู่นะก็ภา ว, วนานอยู่ตลอดแลนะท่านนั่งจนลุกไม่ได้ไม่ดีนะพ <laughs> ยายามลุกขึ้นมาทํางานดีกว่าตอนนี้ <laughs> <laughs> ของท่านก็ชัมกว่าแล้วค มันก็ได้แต่สงบไปเฉยๆนะจะไม่เกิดปัญญาทิ้งการไปโยงอยู่ที่บ้านนั่งสมาธิลงแมกตอนเช้าค่ะแล้วเวลานั่งนั่งไปแล้วก็เมื่อละล่างกายขึ้นไปยตัวลอยเนาะตัวลอยแล้วกลัวแล้วอยู่คนเดียวเลยตัวลอยกลัวทําไมแล้วเป็นไรบ้ไม่เป็นอยู่คนเดียวตอนเช้าช่วงดีห้าอ Mm hmm. ตัวลอยก็ไม่เห็นแปลกลอุูบาอาจารตัวลอยทั้งหลายมุมนไม่แปลกเลยนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปได้สมาธนะิเสร็จแล้วพอออกจากสมาธิแล้วมาดูร่างกายนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายกินข้าวร่างกายอาบน้ําร่างกายขับถ่านยะดูอย่างนั้นเรื่อยๆช่วงเป็นตอนเช้าหรือชาตีห้า บางงงท่านลอยไปนะนวท่านก็สงสัย่อยจริงเปล่านะจิตถอยออกมาจะใที่หลดตุ้บลงมาเลยขาเคลไปเลยมีนะั้นอยู่กับครูบาอาจารย์นยะคแรบบัแบเจอแปลกๆอย่างลวพปูดดูลนนะเวลาท่านนั่งาาสมาธิตัวท่านจะหายเยจะหายไปยรักประสาะเคยเล่าให้ลใหลวงพ่อฟังแต่ได้ยินมาบ่อยๆก่อนบอกว่านอนอยู่ เราพระธาตุเน่นอนอยู่ข้างเตียงท่านกล่าวว่าถ้าท่านลุกขึ้นมาก็างคืนจนะไปห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วมาทุกตัวไปได้ตื่นแลท่านไปห้องน้ำปรากฏว่าวันหน่ตื่นขึ้นมาคืนหนึงตื่นขึ้นมาน ห, นมาหลวงปู่หายไปไหนคิดว่าหลวงปู่แอบย่องไปไหนแล้วนะไปดูที่ประตูกุติยังล็อกอยู่รองเท้าก็อยู่ไม้เท้าก็อยู่ในห้องน้ําก็มันมีที่ไหนก็ไม่มีนะ เคยได้ยินว่าหลวงปู่นั่งสมาธิแล้วตวายถ้าเราเสือรี่ลวงปู่นอนสบัดเลยก็ไม่มีนะอันนี้ตกใจแล้วลวงปู่หายการไปอ่านมาหลวงปู่ยันั่งอยู่บนเตียงในเรื่องของสมสาธิการทำสกาค่ะแล้วเราชะหู่ได้ไงคะหลงพ่อว่าเราเหมาะที่จะดูกายดูใจของุนอะโฟงสั้นเก่งจิตแม ก็จะเป็นต้องมีวิหารธรรมไห ม, มีต้องมีวิหารธรรมถ้าจะดูจิตที่อจะอยู่กับลมหายใจอยู่ับพุโทโธเรารู้ท่านจิตไปเรื่อยก็ได้หรืออยู่กับอิริยาผลเรารู้ท่านจิตไปก็ได้แต่เวานนี้อยู่มันอยู่อยู่มันลมหายใจไม่เป็นเลยอนะค่ะทำไมอะไม่ได้ใจช่ไหมไม่ไปโจกใจมันถ้าอางนั้นกรรมฐานลมหายใจไม่เหมาะกับเราเราต้องแก้ไงคะเราพุโทโธไม่ต้องหายใจก็ได้ไม่ต้องดูลมหายใจ ถ้ากรรมฐานอะไรทําแล้วอืน่นหักแสดงว่ า, าไม่ถูกฉลิตไม่ทํากรรมฐานอะไรทาแล้วจิตใ จ, ใจสงบสบายอะไรนั้ น, นอย่างรลวงพอถนัดดูจิต น, นะแต่เคยลองดูไก่ไล่อยู่ในร่งางไก่ไล่ไล่ไล่ถ้าดูเร่เร่อนมันระเบิดหมดนะแต่ว่าถ้าเราดูเจตนาดูแบบจะรู้สึกเป็นเครื่องอยู่อยู่ไล่ตามกระดูกต่าง ๆ, ๆนะนะมีกระดูอยู่ท่อน ถ้ดูไงปลาข้างซ้ายเนยถ้าไปดูมเมื่อไหรจะปวดจะปวดขึ้น ม, มาเลยใหถามครูบาอาจารย์ถามหลว ง, งพ่อพุธไหมทำไมผมตัวตัวนี้แล้วปวดที่อื่นไม่เป็นท่านบอกว่าจิตมันไม่เอาตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเอามันของอื่นมีกรรมฐานมีเรื่อยๆมันต้องไปฝืนัวเอาให้ถูกกัญชลิตหรากจะจับเคลื่อ้ได้แนะถ้าอยากสงบก็อยู่อารมณ์ที่มีความสุข ความสมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสมควอกตั้งมัน่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใช่หรือต้องปฏิบัติตอปฏิบัติทั้งันเย็นั้ันทั้วันสิทั้งวันต้แต่ื่นจนหลับนะยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดนั้นจเป็นเวลาที่เหลือถ้าจะตื่นจนหลับต้องทำกิเลสไม่ไงหนะ้าเรถ้ารับฟอกเจ็ด้